พวกเรามีแม่คนเดียวมีพ่อคนเดียวเราต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ได้พ่อแม่เลี้ยงเรามาเราก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ให้ได้เวลาพ่อแม่เลี้ยงตัวเองไม่ได้เป็นการทดแทนบุญคุณกตัญญูกตเวที เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของคนดีของมนุษย์ mm hmm. เดรัฉานเขาไม่รู้จักพ่อจักแม่เขาไม่รู้ว่ากายเป็นพ่อเป็นแม่เขาเขาไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่เขา mm hmm. ถ้ามนุษย์เราทําเหมือนเดรัฉานก็ mm hmm. ก็ไม่ต่างจากเดรัฉาน mm hmm. ถ้าละเลยหน้าที่ mm hmm. ไม่อยอมาเลี้ยงดูพ่อแม่ ก็เหมือนกับเดรฉ า, าน่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดราชานมนุษย์นี่สูงกว่าเดราชาเพราะว่ามีปัญญามากกว่าเดราชารู้ผิดถูกดีชั่วรู้ที่สูงรู้ที่ต่ำรู้บุคคลพระพุธเจ้าสอนให้เราเป็นมนุษย์ โดยการรู้จักตนรู้จักบุคคลคนที่สูงกับเราคนที่มีพระคุณกับเราคนที่เท่าเราคนที่ต่ำกับเราการปฏิบัติกับคนต่างๆจึงไม่เหมือนกันกับพ่อแม่ก็ต้องปฏิบัติอย่างหนึง่งกับสามีภรรยาก็ต้องปฏิบัติอย่างหนึง่งกับลูกก็ต้องปฏิบัติอย่างหนึง่ง กับเพื่อนฝูงก็ปฏิบัติอย่างเพราะคนเรามีมีบุญคุณไม่เหมือนกันไม่เท่ากันคนมีบุญคุณเราก็ต้องทดแทนบุญคุณคนที่มีหนี้เราก็ต้องใช้หนี้ลูกเรานี่เป็นเจ้าหนี้เราเราเป็นลูกหนี้ เกิดมาต้องใช้นี้ให้กับลูกใช้บุญคุณให้กับพ่อกับแม่จิตใจของคนเรามันขึ้นลงได้ตามตามความรู้มีความรู้มากมีสัมมาทิฏฐิมากก็จะขึ้นสูง มีสัมมาทิฏฐิน้อยก็จะลงต่ำเรือมีมิจาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบสัมมาทิฏฐิเราได้จากที่ไหนเราก็ได้จากคนที่มีสัมมาทิฏฐิคนที่มีสัมมาทิฏฐิสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าลองลงมาก็พระอาหารหันตสาวกลองลงมาก็พระอนาคามีพระสกิดาคามี อาโสดาบันท่านเหล่านี้มีสัมมาทิฏฐิไม่เท่ากันคือมีปัญญาไม่เท่ากันมีความรู้ความฉลาดไม่เท่ากันการประพฤติของท่านก็เลยไม่ไม่เหมือนกันความทุกข์ความสุขก็เลยไม่เหมือนกันเพราะผลของการประพฤติก็จะทําให้เกิดความสุขความทุกข์มีสัมมาทิฐิมากก็จะมีความสุขมาก มีมิจฉาทิฏฐิมากก็จะมีความทุกข์มากพวกที่ไปอบายนี่เป็นพวกมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าการทำบาปนี่เป็นสุขทำบาปเพื่อดับความทุกข์แต่ไม่รู้ว่าเป็นการสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้น ก็จะต้องไปรับผลของทุกข์ของบาปที่ทำไว้ความสุขที่ได้ก็ได้เพียงชั่วคราวได้ตอนที่ได้ทำบาปหิวไม่มีอาหารก็ไปขโมยอาหารมากินก็ได้อาหารได้ความสุขจากการขโมยอาหารมากินแต่ถ้าถูกตำรวจจับก็ไปติดคุกติดตาราง หรอตายไปก็ต้องไปเป็นเดรอาฉานไปเกิดเป็นนายอบายนี่คือ ม, มีความเห็นไม่ถูกคนที่มีความเห็นถูกก็คือการทําบาปนี้เป็นโทษไม่ได้เป็นคุณประโยชน์ถึงแม้จะได้สิ่งที่เราอยากได้ได้ความสุขแต่ก็เป็นความสุข นิดหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่จะต้องได้มาได้ไม่คุ้มเสียได้สิบบาทแล้วต้องไปใช้ร้อยบาทนี่ผลที่เกิดจากการทำบาปจะเป็นอย่างนั้นได้ความสุขสิบบาทแล้วต้องไปใช้ไปรับความทุกข์ร้อยบาทเนี่ยสูยอมยอมอดดีกว่ายอมอดยอมตาย ตายไปก็ไม่ต้องไปใช้หนี้ไม่ต้องไปรับโทษไปรับความทุกข์ร้อยบาทยังไงก็ต้องตายอยู่ดีคนเราทุกคนเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายยันอย่าอยู่ด้วยการทำบาปเลยตายด้วยการไม่ทำบาปดีกว่ายอมตายด้วยการไม่ทาบาปเพราะยังไงก็ต้องตายอยู่ดี ถ้าตายด้วยการไม่ทำบาปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมไม่ต้องไปรับโทษถ้าอยู่ด้วยการทำบาปตายไปก็ต้องไปรับโทษการทำบาปนี่ก็เป็นคนทำบาปก็คือเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจากเป็นดอกบัว เห็นทุกข์ว่าเป็นสุขทาบาปแล้วใจมันทุกข์ใจมันใจมันร้อนใจมันไม่สบายใจวิตกกังวลเวลาไม่ทำบาปนีใจสงบใจเย็นใจไม่วุ่นวายใจไม่วิตกเราต้องดูที่ใจเราผลของการทำบาปทำบุญนี้ ผลที่เกิดขึ้นทันทีก็ที่ใจเรานี่แหละทำบาปนี้ใจจะร้อนใจจะไม่สบายทำบุญแล้วใจจะเย็นใจจะสบายถึงแม้ว่าจะปวดยาขาดแคนแต่ก็ใจก็เย็นสบาย คนบางคนยอมเสียสละความสุขของตนให้แก่ผู้อื่นยอมแบ่งปันข้าวปลาอาหารยอมอดแบ่งกันกินคนละมือ้อให้คนอื่นก็กินมื้อหนึ่งลองกินมื้อหนึ่งแต่ใจนี้มีความสุขมีความอิ่มมากกว่าร่างกายจะไม่รู้สึกเดือดร้อน การที่เราเสียสละอาหารมื้อหนึ่งให้กับคนอื่นสมมติว่าเรามีปัญญาจะกินได้สองมือ้อแต่เห็นคนเขาไม่มีกินเลยก็เรายอมเสียสละอาหารมื้อหนึ่งไปให้เขาเช่นมื้อนี้ไม่กินเดี๋ยวไปกินมื้อต่อไปมื้อนี้ยกให้เขาไปแทนที่จะใจแทนที่จะหิวกับไม่หิวนะใจกับอิ่มมีความสุขะ ได้เสียสละถึงแม้ว่าร่างกายจะหิวแต่มันหิวน้อยกว่าความอิ่มของใจมันกบได้กบความหิวของร่างกายได้แต่ความความอิ่มหรือความสุขของร่างกายนี้ไม่สามารถไปกบความทุกข์ของใจได้เช่นไปขโมยอาหารมากินนี่่างท้องอิ่มแต่ใจไม่ ใจไม่สุขใจทุกข์ใจกังวลสู้ยอมอดดีกว่าร่างกายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ใจสบายใจเราจะสุขก็คือหนึ่งทำความดีทำบุญให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วเราจะมีความสุขถึงแม้ว่าเราจะลำบากทางร่างกาย ตาคัดขาดสนแต่ใจเรากับจะมีความสุขมากกว่าถ้าเรามีความสมบูรณ์ทางร่างกายโดยไม่ยอมเสียสละให้กับผู้อื่นร่างกายเราสุขแต่ใจเราจะไม่รู้สึกสุขเหมือนกับเวลาที่เราได้เสียสละของของทางร่างกายไป นี่คือการทำความดีคือให้ความสุขแก่ผู้อื่นแบ่งปันความสุขของเราให้แก่ผู้อื่นมีเสื้อผ้าหลายชุดก็แบ่งให้คนเห่นเข้าไปถ้าเห็นเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็มีเสื้อผ้าอะไรก็มาให้เขาใส่ถึงแม้ว่าเราจะขาดเสื้อผ้าแต่มันก็ไม่ได้ เป็นปัญหาใหญ่โตใจเรากลับมีความสุขสุขกว่าตอนที่เราไม่ได้ให้เวลาไม่ได้ให้อะไรนีใจเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึกอิ่มใจสุขใจภูมิใจเวลาให้แต่ละครั้งนีจะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจภูมิใจถึงแม้ว่าเราจะเสียเงินทองไปเสียข้าวของไป แต่ใจมีความสุขดีกว่ามีเงินทองเข้าของไม่เสียเงินทองเข้าของแต่ใจไม่ได้ความสุขอะไรใจรู้สึกจืดจืดชืดชืด อ, อันนี้คือการทำบุญกับการไม่ได้ทำบุญแล้วถ้าไปทำบาปนี้ก็ยิ่งทำให้ใจไม่สบายเพิ่มมากขึ้น ถ้าไม่ทาไม่ได้ทำบุญก็ยังไม่ไม่เสียหายใจก็เท่ากับ ว, ว่าเท่าตัวไม่ได้กำไรถ้าทำบุญก็ได้กำไรได้ความสุขใจขึ้นมาถ้าไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้ความสุขใจ<ม>ก็ไม่ขาดทุนแต่ถ้าไปทำบาปเนี้ยทีนี้ขาดทุนนะทำบาปนี้ใจไม่สบายนะ<ม>ใจทุกข์ใจร้อนขึ้นมา นี่คือธรรมชาติของใจที่เราไม่ค่อยได้เข้าใจกันเราถูกความหลงหลอกให้เราไปมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าความสุขเกิดจากการได้ไม่ใช่เกิดจากการเสีย<ม>ก็อยากได้กันแต่ได้ก็ได้มาแล้วก็สุขเดียวเดียว แล้วก็อยากได้ใหม่ขึ้นมาของที่ได้มาหมดความหมายไปแล้วของมีเต็มบ้านนู้นบ้านพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาของเก่าที่มีอยู่นี้ไม่มีความหมายเลยแต่เสื้อผ้ารถตู้เต็มตู้กระเป๋าเต็มบ้านเนี่ยแต่พออยากได้กระเป๋าใหม่เสื้อใหม่ของเก่าๆที่มีอยู่นี้ไม่สามารถให้ความสุขได้นะต้องเอาของใหม่ ถึงจะได้ความสุขเนี่ ย, ยใจมันถูกหลอกใจมันหลอกตัวมันเองโดยไม่รู้สึกตัวหลอกคิดว่ายิ่งเวลาได้อะไรมาแล้วจะมีความสุขมันก็ได้สุขเดียวเดียวแล้วพอได้มาแล้วของนั้นมันก็ไม่มีความหมายแล้วไม่ได้ให้ความสุขกับเราอีกแล้วเหมือนกับมะนาวที่เราบีบน้ำมันไปแล้วพอบีบน้ามัน หมดแล้วทีนี้มะนาวมันก็ไม่มีความหมายอะไรของต่างๆที่เราซื้อมาเนี่ยเหมือนมะนาวพอบีบน้ามันหมดปั๊บมันก็ไม่มีรสชาติอแล้วไม่มีความรู้สึกอะไรกับมันอยากจะสุขก็ต้องซื้อใหม่ต้องซื้อชุดใหม่ซื้อเสื้อใหม่ซื้ออะไรใหม่อันนี้ก็จะทำให้เรานี้ต้อง เหนื่อยกับการไปหาเงินหาทองเพื่อจะได้มาซื้อความสุขแบบนี้กันแล้วก็อาจจะทําให้เราต้องไปทําบาปกันเพราะถ้าหาเงินไม่สะดวกไม่ง่ายด้วยวิธีที่ไม่ทําบาปหาแล้วมาไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปหาด้วยวิธีทําบาป พอหามาด้วยวิธีทําบาปใจก็จะไม่สบายแล้วทำบาปแล้วใจไม่สบายถึงแม้ว่าจะได้ความสุขจากของที่เราได้มาจากเงินที่เราหามาไปซื้อมาซื้อของมาแต่เราเริ่มใจเราเริ่มขาดทุนแล้วใจเราเริ่มอมีความทุกข์ใจแล้ว การซื้อของอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นมาซื้อสิ่งที่ตามที่อยากได้มาเนี่ยมันไม่ได้ให้ความสุขแท้จริงเป็นความสุขปลอมความสุขแป๊บเดียวขนาดที่ได้มาเท่านั้นเองถ้าอยากจะได้ความสุขจริงต้องเอาเงินที่จะไปซื้อของตามความอยากนี้เอาไปทำบุญ เ, เวลาทำบุญเวลาทำให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่ ใจเราจะมีความสุขนะสุขมากกว่าเวลาที่เราเอาเงินก้อนเดียวกันนี้ไปใช้ตามความอยากไปซื้อของมานี้กลับมาบ้านดีใจเดียวเดียวหมดละแต่เอาเงินไปทําบุญนี่ใจมีความสุขกลับมาบ้านก็ยังสุขอยู่คิดถึงมันเมื่อไหร่ก็ยังมีความสุขอยู่เห็นไหะ ถ้าอยากจะซื้อความสุขได้เงินต้องซื้อด้วยการทําบุญอยาไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จําเป็นถ้าซื้อของจําเป็นก็เถอว่าไม่กําไรไม่ขาดทุนเช่นซื้ออาหารมากินซื้อเสื้อผ้ามาถ้าเราขาดเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้ามาซื้อของจําเป็นนี้ก็ไม่ได้กําไรไม่ได้ขาดทุนไม่มีความรู้สึก สุขทางใจเพียงอย่างใดเพียงแต่ว่ามันทําให้ร่างกายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเท่านั้นเองถ้าอยากจะได้ความสุขทางใจต้องเอาเงินไปซื้อบุญกันไปทําบุญกันวิธีที่จะซื้อความสุขที่แท้จริงก็คือทําบุญมีเงินเนาะเอาไปทําบุญเถิดอย่าเอาไปเที่ยวเลยอย่าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือย ซื้อของไม่จําเป็นความสุขแบบมันเป็นความสุขความความสุขแบบดีใจเดียวๆเหมือนควันไฟมันไม่เป็นความสุขที่จีรังถาวรเหมือนกับความสุขที่ได้จากการทำบุญทำบุญแล้วจะมีความอิ่มเอิบใจสุขใจแล้วจะทำให้ความอยากที่จะใช้เงิน เป็นซื้อของตามความอยากนี่มันน้อยลงไปหรือหายไปเลยถ้าทุกครั้งเราอยากจะเอาเงินไปเที่ยวเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จําเป็นเราเอาเงินนี้ไปทําบุญความอยากไปเที่ยวความอยากซื้อของฟุ่มเฟือยมันจะถูกลังนับไปแล้วมันก็จะหายไปถ้าทุกครั้งที่เราอยาก ใช้เงินแบบนี้เราก็เอาเงินไปทำบุญแทนแล้วเราได้ความสุขดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปซื้อเอาเงินไปซื้อตามความอยากต่างๆใจเราก็จะต่อไปไม่ต้องซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ต้องไปเที่ยวอยู่บ้านก็มีความสุขไม่ต้องมีเสื้อผ้ามาคอยต้องคอยดูแลรักษามากมาย มีไว้สวมใส่เท่าที่จําเป็นก็พอสองสามชุดสี่ห้าชุดก็อพอแล้วชุดหนึ่งไว้งานแต่งงานชุดหนึ่งไว้งานศพชุดหนึ่งไว้ไปทุระทางอทำธุรกิจะชุดทุรกิจชุดเที่ยวชุดอยู่กับบ้านไม่การเสิบชุดก็น่ า, นา จ, จะพอ พระนี่โชคดีใช้ได้ทุกอย่างชุดเดียวนี่ใช้ได้ทุกแข่งทุกขนไปทำธุรกิจก็ใส่ชุดนี้ไปงานศพก็ใส่ชุดนี้ไปงานแต่งงานก็ใส่ชุดนี้ใช้ได้ทุกทุกงานเลยพระเลยไม่ต้องมีหลายชุดมีชุดเดียวก็พอพระจึงทำบุญได้มากกว่ า, ายาวยอะพระที่เป็นพระนะ ท่า น, นจะไม่ใช้เงินเพื่อไปซื้อของพูดเฟยต่างๆหลวงตานี่ท่านได้รับเงินทอง mm. เงินดอลลาร์มาไม่รู้กี่ล้าน mm. เงินไม่รู้กี่บาททองคาไม่รู้กี่ตันท่า น, นไม่ได้เอาไว้ใช้สําหรับตัวท่านเลยท่านเอาไปทําบุญกับประเทศประเทศไทยทําบุญกับประเทศชาติเอาเงินให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อจะได้เอามาใช้ประโยชน์กับประเทศเพราะท่านไม่มีความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขเพราะท่านมีความสุขจากการทำบุญท่านทำบุญตั้งแต่วันที่ท่านออกบวชนะวันที่ออกบวชนี่พระทุกรูปมีมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยก็ทำบุญไปหมดยกให้คนอื่นไปหมด แล้วก็ไม่มีการสะสมเงินทองอะไรไว้อาจจะเก็บไว้สำรองเผื่อจาเป็นจะต้องใช้ในโอกาสที่จำเป็นก็ได้แต่ไม่ได้คิดที่จะเก็บเอาไว้ไปใช้ตามความอยากเพราะท่านเห็นโทษของความอยากท่านรู้ว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวร้ายกาจเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของเรา ไม่ใช่โจรผู้ร้ายที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ตามบ้านตามช่องที่ไปขโมยตามบ้านตามช่องโจรผู้ร้ายที่ไปปล้นธนาคารหรือฆ่าศึกศัตรูทั้งต่างๆนี่ไม่ใช่เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของพวกเราศัตรูหมายเลขหนึ่งของพวกเราคือความอยากของพวกเรานี่แหละ ไอ้ตัวนี้แหละที่ทำให้เราต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันไม่รู้จักจบจักสิน้นน้ำตาที่ต้องร้องต้องหนั่งออกมานี่มากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทร mm hmm. ก็เพราะไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวความอยากนี่พออยากไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจก็ร้องไห้อยากให้ชีวิตมีแต่ความสุขพอมันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็ร้องไห้ แม่เสียนี่นับเสียน้ำตาไปกี่หยดเนเสียแม่เวลาแม่ตาย ต, าต้องน้องไห้ไหมไอตัวความอยากนี่แหละทำให้เรามาร้องไห้กันเพราะอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังก็ต้องมีตาหูจมูกลินกายก็ต้องมาเกิดกันพอมาเกิดกันก็ต้องมาพัดพากจากกันพัดพากจากคนที่เรารักเน่ พัดภาคจากบิดามารดาผู้ญ้าตายายพัดภาคจากสามีภรรยาพัดจาคพัดภาคจากบุตรที่ดาจากญาติสนิทมิตรสายเวลาพัดภาคจากกันมีใครหัวเราะบ้างมาีแต่ร้องไห้กันนี่หละศัตรูหมายเลขหนึ่งคือความอยากของเราเนี่ยแต่เรากลับไปเห็นว่ามันเป็นมิตรมันมาช่วนเราที่ไรไปกับมันทุกทีเลย ชวนไปเที่ยวก็ไปกับมันชวนไปซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าก็ไปกับมันไม่รู้ว่ามันกำลังพาเราไปสู่การหลังน้ำตาที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะตราบใดถ้ายังไม่ได้กาจัดความอยากเหล่านี้เรายังจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดแล้วก็ต้องเจอสิ่งที่เราไม่อยากเจอกันไม่ เจอการพัดพาจากกันเนี่ยเราต้องมาสร้างส ม, มาทิฐิเนี่ยพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นคนแรกที่เป็นคนค้นพบว่าความอยากของพวกเรานี่แหละเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของพวกเราไม่ใช่โจรผู้ร้ายไม่ใช่อะไรที่ไหนแต่ศัตรูหมายเลขหนึ่งของเราก็คือความอยากของเรา ไม่ใช่คนที่เราเกลียดคนที่เราโกรธนะคนที่เราเกลียดคนที่เราโกรธนั้นมันก็เกิดจากความอยากขอ ง, ของเราเนี่ยเราอยากให้เขาทําอะไรให้เราพอเขาไม่ทําให้เราเราก็โกรธเขาเกลียดเขาขึ้นมาทนั้นเองแต่ถ้าเราไม่มีความอยากต้องการอะไรจากเขาเนี่ยเราไม่มีวันไปเกลียดเขาหรอกสังเกตดูนะคนที่เราไม่เกลียดคนที่เราไม่มีความอยากต้องการอะไรจากเขาเราเกลียดเขาไหมไม่เกลียดหรอ แต่คนที่เราเกลียดเนี่ยเพราะอะไรเราอยากให้เขาไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้หรืออยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นเราก็เกลียดเขาโกรธเขา <increí ble> <Their> เขาเลยกลายเป็นศัตรูของเราขึ้นมาแต่ความจริงเขาไม่เขาไม่ได้เป็นตัวทั้งเป็นศัตรูหรอกตัวที่ทำตัวที่เป็นศัตรูของเราที่แท้จริงก็คือความอยากของเรา ถ้าเราค่าความอยากนี้ได้คนที่เราเกลยียดเราก็จะหายเกลยียดถ้าเราไม่ต้องการอะไรจากเขาเราก็หายเกลยียดหายกโกรธ <c oughs> <c oughs> เราจึงต้องมาหาพระพุทธเจ้าหาพระธรรมคาสอนหาพระอริยสงสาวกเพราะท่านมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้อง ความเที่ถูกต้องอันดับหนึ่งก็คือการเห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่มาทำลายจิตใจของเราสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของเราพอเกิดความอยากแล้วมันก็นำไปสู่การทำบาปได้อยากแล้วไม่ได้ด้วยวิธีที่ไม่ได้ทำบาปก็ต้องเอามันด้วยวิธีทำบาปมันก็ทุกข์ ทำให้ใจทุกข์ใจร้อนขึ้นมาทำให้ต้องไปใช้เวรใช้กรรมต่อไปเราพยายามมาสกัดความอยากกันเฝนความอยากกันความอยากนี้ความจริงมันก็มีสองฝ่ายนะความอยากที่ดีก็มีนี่พูดถึงความอยากที่ไม่ดีความอยากที่ไม่ดีก็คือความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรส ปฎิภาี่ยเป็นความอยากที ute, ่ไม่ดีความอยากมีอยากเป็นหรืออยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือความอยากไม่มีไม่เป็นอยากไม่ให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เขาเป็นอย่างนี้เช่นเขาเป็นกล้วยก็ไม่อยากให้เขาเป็นกล้วยอยากให้เขาเป็นสับปะรดพอเขาไม่เป็นสับปะรดก็เสียใจทุกข์ใจ เขาตายก็อยากให้เขาไม่ตายก็ทุกข์ใจหรือเขาเป็นแต่ก็อยากให้เขาตายก็ทุกข์ใจเหมือนกันเยความอยากมันสร้างความทุกข์ให้กับเราเราต้องเห็นว่ามันเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของพวกเราเพราะมันมีแต่จะสร้างความทุกข์มีแต่จะพายเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาร้องห่มร้องไห้เนี่ย น้ำตาที่พวกเราร้องกันเนี่ยถ้ารวบรวบมกันไว้เนี่ยมันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเองเพราะเรามาเกิดมาไม่รู้กี่ล้านก <c oughs> ี่แสนชาติกนะี่แสนล้านชาตินะและยังจะต้องไปเกิดต่ออีกเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกับรถที่วิ่งลงเขานะถ้าเราไม่เหยียบเบรกนี้มันไม่มีวันหยุดมันก็จะวิ่งของมันไปเรื่อยๆ ถ้าต้องการให้รถหยุดนี่เราต้องเหยียบเบรกนตัวที่ใจของเราเนี่ยมันมาเกิดอยู่เรื่อยเพราะความอยากถ้าเราต้องการหยุดการเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากพระพุทธเจ้าก็เลยให้เบรกเรามาสามัญไว้เบรกความอยากเวลาอยากใช้เงินไปทำตามความอยากต่างๆก็ให้เอาไปทาบุญแทน ว่าไม่จำเป็นอย่าต้องทำอย่างไปเที่ยวนี้จำเป็นไหมถ้าไม่ไปเที่ยวตายแล้วปะ่ะไม่ตายไปซื้อของฟุ่มเฟือยของที่มีอยู่แล้วซ้ำซากของเหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างรูปต่างสีต่างลักษณะเท่านั้นเองเห็นแล้วก็อยากได้ขึ้นมามันก็ไม่มีมันก็ไม่ตายอยู่ดีอันนี้คือความอยากไม่ดีนะ ความอยากที่อยากในของที่ฟุ่มเฟือยของอะไรเหล่านี้ไม่ดีแต่ความอยากที่ดีก็คือเนี่ยความอยากจะเอาเงินไปทำบุญเนี่ยเป็นความอ <S <s <in> anyway. ยากที่ดีความอยากรักษาศีลเนี่ยเป็นความอยากที่ดีความอยากภาวนาอยากบวชเนี่ยเป็นเป็นความอยากที่ดีเพราะเป็นความอยากที่จะพ า, าให้เราไปหยุดความอยากได้นั่นเองพรามันเป็นเครื่องมือหยุดความอยากเนี่ย พระพุธเจ้ามอบเครื่องมือให้เราสามชิ้นไว้หยุดความอยากให้เราทําทานทุกครั้งที่เราจะเอาเงินไปเที่ยวเนี่ยเอามาทําทานทุกครั้งจะเอาเงินไปซื้อสุรามาดื่มเนี่ยเอามาทําบุญทุกครั้งที่จะเอาเงินไปซื้อของไม่จําเป็นซื้อบุหรี่ซื้อกาแฟซื้ออะไรร้อยแปดเอามาทําบุญ แล้วต่อไปเราจะไม่มีความอยากที่จะซื้ออะไรเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาเงินให้เหนื่อยยากเงินที่เราหามาได้เพื่อมาใช้ตามตามความอยากนี้เหมือนกับเอาเงินไปทิ้งในเหวเงินเอาไปเอาไปเขาเรียกอะไรไปกบเหวกบยังินก็ไม่มีวันเต็ม หาเงินมาได้เท่าไหร่ไปใช้ตามความอยากเดียวเดียวก็หมดหมดก็ต้องไปหาใหม่ต้องใช้ใหม่เพราะเวลาไม่ได้ใช้แล้วใจสัน่นใจทุกข์แต่ถ้าเราเอามาทำบุญนี่มันจะไม่สัน่นมันจะไม่ทุกขนะ์เวลาเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเราอยากจะซื้อบอกไม่เอาเดี๋ยวไปทาบุญดีกว่าซื้อของไปใส่บาตรดีกว่าเปลี่ยนใจ แล้วต่อไปเวลาเห็นของเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นอะไรใจจะไม่สั่นใจจะรู้สึกเฉยเฉยเวลาอยากไปเที่ยวก็เอาเงินเนี้ไปทำบุญถ้าจะไปเที่ยวให้ไปเที่ยวแบบภาพป่ากระถินก็แล้วกันเน่ยเดี๋ยวออกพรรษาอยากจะไปทอดกระถิน่นอยากจะไปเที่ยวก็เลยใช้กระถินเป็นอุปเป็นข้ออ้างก็ได้อย่างน้อยก็ยิงนกได้สองตัว ได้เที่ยวด้วยแล้วก็ได้ทำบุญด้วยก็ <Hey. S 1> ยังดี <Hey. S 1> แต่ถ้าจะดีกว่านั้นก็ไม่ต้องไปเที่ยวทำบุญใกล้วัดก็ได้ทำกรถินใกล้วัดใกล้บ้านก็ได้จะได้ไม่ต้องมีช่องไปเที่ยวกัน <Hey. S 1> ถ้าช่องไปเที่ยวเดี <Hey. S 1> ๋ยวมันก็จะอยากเที่ยวทุกปีเดี๋ยวก็จะไปทอดกระถินที่นู่นที่เชียงใหม่บ้างที่ลำปางบ้างที่สงขาบ้างเหมือนก็อ้าง อ้างกะถินเป็นเป็นข้ออ้างความจริงมันก็อยากยังอยากเที่ยวอยู่ถ้าอยากจะตัดความอยากเที่ยวก็ทําบุญมัดใกล้บ้านก็ได้หรือส่งใส่ซองไปฝากเข้าไปก็ได้เราไม่ต้องไปบุญได้เท่ากันไปเองหรือฝากเข้าไปนี่ได้บุญเท่ากันทั้งเงินเท่ากันนี่ได้บุญเท่ากันไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องเดินทางให้เหนื่อย หรือโ อ, โอนเงินเข้าบัญชีของวัดเข้าไปเลยก็ได้อันนี้จะได้ตัดเรื่องของข้ออ้างที่จะไปเที่ยวกันแต่ถ้ายังตัดไม่ได้ก็ไปเที่ยวแบบนี้ก็ยังดีกว่าไปเที่ยวแบบไม่ได้ทําบุญไปเที่ยวแบบไม่ได้ทําบุญก็ก็ขาดทุนถ้าไปเที่ยวแบบทําบุญก็จะเอว่าอเท่าทุนก็ได้เสียครึ่งได้กลับมาครึ่งได้บุญครึ่งหนึ่ง เสียให้กับเสียให้กับกิเลสไปครึ่งหนึ่งแต่ทางที่ดีคนจะตัดความอยากให้ได้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดกันใหม่ไม่ต้องมาทุกข์ใหม่ตัดความอยากเที่ยวเวลาเที่ยวมันก็คือการเสพรูปเสียงนั่นเองเวลาเที่ยวมันก็ต้องใช้ตาดูใช้หูฟังใช้จมูกดมดมกลิ่นของสถานที่ใช้ตาดูใช้หูฟัง แลเดี๋ยวก็มีของกินก็ใช้ลิ้นใช้จมูก <c oughs> ลองทำดูรับรองได้ว่าสามารถหยุดเที่ยวได้ทุกครั้งเราจะเที่ยวเราบอกว่าจะเอาเงินนี้มาทำบุญแทนทุกครั้งที่อยากจะซื้อของไม่จำเป็นก็เอามาทำบุญแทน ต่อไปเราจะไม่ซื้อของไม่จําเป็นซื้อไปทําไมซื้อของเหมือนกันเสื้อเหมือนกันต่างตรงที่สีนั่นเอต่างที่แขนแขนสั้นบ้างแขนยาวบ้างมันก็ก็เป็นมันก็เป็นแค่เสื้อมันก็ไว้สําหรับสวมใส่ปกปิดร่างกายทําหน้าที่เหมือนกันใส่ตัวเดียวมันเจ็ดวันเลยไม่ได้นะสลับกันสองตัว ตัวหนึ่งซักตัวหนึ่งใส่เอาแบบเครื่องแบบเวลาไปเรียนหนังสือเมื่อก่อนเด็กๆเรียนหนังสือทำไมใส่ชุดเดิมได้ทุกวันไปโรงเรียนก็ใส่เครื่องแบบเหมือนชุดเดิมใส่ได้สบายไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยแต่พอปล่อยใจตามความอยากหน่อยนะใส่ไม่ได้แนละ้วใส่ชุดซ้ากันไม่ได้แล้วแปบกนะแบบนะ แต่เวลาไปทํางานเป็นข้าราชการเป็นพนักงานต้องใส่ชุดเครื่องแบบก็ใส่ได้ไม่งั้นเดือดร้อนเลยแต่พอไม่ได้ทํางานนี้ใส่ไม่ได้ขึ้นมาทันทีความอยากมันจะเข้ามาทันที <c oughs> อยากสวยอยากแปลกใส่ชุดเดิมแล้มันไม่แปลกมันไม่สวยมันไม่เด่นเห็นแล้วจาเจ นี่ะคือความอยากศัตรูหมายเลขหนึ่งของพวกเราแล้วก็เครื่องมือที่เราพระพทุทธเจ้ามอบให้เรามาฆ่าศัตรูก็คือทานทำทานเอาเงินเอาข้าวเอาของไปให้คนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อของให้กับตัวเราของที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อ ซื้อของจำเป็นให้คนที่เขาจำเป็นต้องซื้อต้องมีดีกว่าเขาไม่มีเสื้อผ้าอยากจะซื้อก็ซื้อได้ซื้อแล้วไปให้เขาอย่าซื้อแล้วมาเก็บไว้ใช้เองชอบชุดไหนซื้อเลยซื้อแล้วก็ไปหาคนที่เราสงสารให้เขาไปเลยเขากำลังขาดเสื้อผ้าไม่เห็นเลยเด็กสามคนที่มันมากับพ่อแม่ดูเสื้อผ้ามัน น่าสวมใส่ไหยเห็นแล้วยังสงสารมันเนี่ยวันนี้มีจังหวะพูดนะเดี๋ยวมันคงจะได้เสื้อผ้าใหม่เลยเนี่ยอ้าวแล้ว <c oughs> ลดูจะรู้สึกยังไงซื้อเสื้อผ้าให้ให้คนยากจนนี่ก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่กับซื้อให้กับเราที่มีเหลือเหลือเฟืออยู่แล้วเนี่ยความรู้สึกมันไม่เหมือนกันหรอกเ <c oughs> มื่อวันก่อนโยมก็ขนมมาให้ถุงเมื่อเริ่มเลย บอกให้มาแจากเด็กเมื่อกี้นี่ให้มันเอาไปโอ้โหมันดีใจใหญ่ตื่นเต้นถุงก็เริ่มหอบกันไม่ไหวของกอบกอบเนี่ยเห็นเขมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขแล้วเราไม่ต้องมีอะไรนการกระทําของเราทําให้คนอื่นมีความสุขนี่มันทําให้เรามีความสุขเราไม่ต้องมีอะไรมีเท่าไหร่ก็ไม่สุขเหมือนกับเห็นให้คนคนอื่นเขาสุข เวลาเราทำให้คนอื่นเขาสุกเนี่ยมันสุขมากกว่าทําให้ตัวเราสุกเนี่ยทำให้ตัวเราสุกนะสุกดี๋วเดียวแต่ทำให้คนอื่นเขาสุขนี่สุขนานทําไปหลายวันแล้วคิดถึงพูดถึงมันก็ยังสุกเลยนี่แหละธรรมชาติของใจเราอยู่ที่การให้ไม่ใช่อยู่ที่การได้ยิ่งได้ยิ่งหิวยิ่งได้ยิง่งยิ่งโลภ ได้คือก็อยากจะได้ศอกในศอกก็อยากจะได้วาการได้จึงต้องระมัดระวังถ้าจะเอาอะไรต้องเอาด้วยเหตุด้วยผลอย่าเอาด้วยความอยากถ้าเหตุผลมันมีกรอบมันมีปริมาณเช่นอาหารเนี่ยวันหนึ่งก็มือสองมื้อก็พอเอาด้วยเหตุด้วยผลถ้าเอาด้วยความอยากสองมื้อก็ไม่พอสามสี่มื้อก็ไม่พอ กินมันเลยเนี่ยร่างกายมันเลยเป็นตุ่มเงินสมัยนี้คนสมัยนี้มีเป็นตุ่มเยอะกว่าสมัยที่เราเป็นเด็กๆนอะสมัยเด็กๆนี่หาคนเป็นตุ่มไม่ค่อยมีเพราะสมัยเด็กๆไม่ค่อยมีกินกัินะสมัยนั้นสี่ห้าห้าสิบหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบปีก่อนนี้มันอาหารหายากข้าวของหายากของกินหายากคนจึงไม่ค่อยได้กินกันเท่าไหร่ กินพออยู่ได้สมัยนี้ของกินมีให้กินได้ทุกทุกจังหวะเลยทุกชั่วโมงเลยของเคี้ยวของดื่มของอะไรอาหารหนักอาหารเบาอาหารว่างให้กินตลอดเวลาร่างกายมันเลยกลายเป็นตุ่มกันแต่ใจกับหิวเหมือนเดิมหิวกว่าเดิม ยิ่งกินยิ่งหิวยิ่งอยากยิ่งหิวไม่ใช่กินแล้วจะอิ่มกินแล้วอยากกินอีกนี่แหละความอยากนี่มันเป็นตัวตัวสร้างปัญหาต่างๆอยากกินมากๆกินมากๆน้ำตาลก็ขึ้นเนี่ยมีลูกเศษคนหนึ่งแม่กาลังน้ำตาลกำลังขึ้นมาก ต้องรีบไปเอาแม่มาอยู่ด้วยเพื่อจะได้ควบคุมน้ำตาให้พออยู่กับลูกอีกคนนึงเอาใจแม่อยากกินอะไรซื้อมาให้กินอย่างเดียวจนน้ำตาลนี่มันจะเป็นเบาหวานแล้วถ้าปล่อยไว้ต่อไปไตก็จะเสียต้องฟ อ, อ, อกไตแ้วมันจะเสียหายมากกว่าต้องไปฟ อ, อ, อกไตดีไม่ดีก็ต้องบริจาคไตให้กี๊ ต่อให้พองตายต่อให้บ ร, ริจาคตายเปลี่ยนตายใหม่ถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมความอยากกินอยู่มันเหลวก็มันก็เสียอีกมันต้องมาหาักข้ามใจของเราหักข้ามความอยากของเราให้กินพออยู่ก็พออยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินถ้ากินตามความอยากนี่แล้วก็อยู่เพื่อกินถ้ากินเพื่ออยู่นี่ก็กินตามเวลา กินตามปริมาณเท่าที่สมควรต่อความต้องการของร่างกายเข <c oughs> ามีนี่ก็มีเกณฑ์วัดไว้ว่าสูงแค่นี้น้ําหนักควรจะอยู่เท่าไหร่สูงเมตรห้าน้ำหนักควรจะ50ากิโลสูงเมตรหกน้ําหนัก60ากสิบกโลสูงเมตรเจน้ําหนัก70็กิโลก็ดูสิเนี่ยเราสูงขนาดไหน เ้าดูว่าเราอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าถ้าอยู่ในเกณฑ์แล้วปลอดภัยร่างกายจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอวัยวะจะเป็นปกติไหลเตยจะไม่วายเนี่ยความอยากมันทำลายทั้งจิตใจทำลายทั้งร่างกายพวกที่อยากดื่มสุราหไหมดื่มแล้วเป็นไงเดี๋ยวก็ตับแข็งนะพวกอยากดื่ม อยากสูบบุหรี่เป็นไงเดี๋ยวก็เป็นโรคปอดเนี่ยมันมาจากความอยากแท่านั้นแหละคนที่ก็ไม่อยากสูบบุหรี่ก็ไม่มีโรคปอดเยคนที่ไม่ไม่อยากดื่มสุราเขาไม่มีเขาไม่มีโรคตับแข็งนคนที่ไม่อยากกินของหวานไม่มีเบาหวานหลคนที่ชอบกินของหวานเนี่ยเดี๋ยวเบาหวานมันก็มาคนที่ชอบกินของมันเดี๋ยวก็ขายมันอุดตันมันก็มา เความอยากทั้งนั้นมันทำลายทั้งร่างกายทำลายทั้งจิตใจเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเลยพระพุทธเจ้าประกาศเลยว่าไอ้นี่แหละคือศัตรูหมายเลขหนึ่งประกาศไว้ในอริยสัจเลยทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากความอยากสามตัวความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ความอยาก ม, reen, ม okay. being, อากีอยากเป็นอยากล่่าอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากใหญ่อยากโตอยากให้คนยกย่องจำรสนี่ว่าความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็อยากไม่จนอยากไม่ให้คนดูถูกเหยียดหยามอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายความ อยากแบบนี้มันทำให้ใจเราทุกข์กันทรมานกันแล้วทำให้เรามาเกิดกันแล้วทำให้เราต้องมาสร้างความทุกข์ให้กับร่างกายของเราด้วยความอยากกินอยากดื่มมากเกินไปเลยกินในของที่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายดื่มกับของดื่มของที่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายไปซื้ อ, อยาพิษมาดื่มทำไมสุรานี่มันยาพิษแท้ หนึ่งเมื่อไปแล้วโทษมันก็ปรากฏขึ้นมาหเห็นเพียงแต่มันช้าเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นแบบยาพิษที่กินปุ๊บตายปั๊บเนะี่ยแต่มันกินมันตายแบบผ่อนสงมันตายเขามันตายทีเราเน็กทีเราน้อยเราจึงไม่ค่อยสังไม่ค่อยรู้สึกพอมารู้สึกตัวก็สายไปแล้วเป็นโรคตับแข็งเป็นโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆ เกิดจากความอยากของเรานี่แหละอยากกินอยากดื่มอยากมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลน้นแล้วความสุขนั้นมันก็กลายเป็นสัตว์กลายเป็นยาพิษมาฆ่าเรามาทําลายเราต่อไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่เพราะไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่ไม่รู้จักคิดกันเวลาอยากแล้วต้องทําตามความอยากอย่างเดียว เพราะเวลามันอยากแล้วมันทรมานใจมันสั่นถ้าไม่ได้ทำตามความอยากแล้วมันไม่หายสั่นพอได้ทำตามความอยากก็หายสั่นเดียววเดี๋ยวความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาก็สั่นอีกวิธีที่จะหายสั่นอย่างถาวรก็คืออย่าไปทำมันยอมให้มันสั่นไปเดี๋ยวมันสั่นเต็มที่แล้วมันก็หยุดสั่นเองพอมันหยุดสั่นแล้วที่นี้มันหายอยากแล้วมันจะไม่อยากมันจะเฉยๆ แต่ต้องยอมทรมานยอมยอมทนก็เรียกว่ายอมลงแดงมันจะลงแดงกันมันลงแดงไปถ้ามีเครื่องมือพุทธเจ้าให้มาก็จะไม่ไม่ทรมานถ้าภาวนาเป็นก็จะไม่ทรมานพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเวลาใจสัน่นเวลาอยากได้อะไรแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไป อย่าไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากเดี๋ยวก็ลืมพอลืมแล้วก็ใจก็หายสัน่นใจก็สบายใจก็ไม่เดือดร้อนวันนี้ฝากศัพ์ตัูหมายเล็กหนึ่งให้ไปคิดกันนะอย่าไปคิดว่ามันเป็นมิตรเวลามันมาชวนให้ไปเที่ยวไปกินไปดืม่มอย่าไปอย่มันนะไปแล้วเดี๋ยวถูกมันถูกมันบีบเรา สุมันทำให้เราทุกข์อย่ามาบ่นกันนะศัตรูหมายเลขหนึ่งไม่ได้อยู่ข้างนอกอ ย, อยู่ในตัวเรานะมาในคราบของมิตรความอยากนี่มันมาในคราบของมิตรคนที่ไม่รู้ความจริงเขากลับคิดว่าความอยากต้องมีความอยากโลกถึงจะเจริญใช่ไหมถ้าไม่อยากมีรถยนต์จะมาผลิตรถยนต์กันได้ยังไงถ้าไม่อยากบิน จะมีการสร้างเครื่องบินขึ้นมาได้อย่างไรเขาก็เลยเห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นมิตรถ้าไม่มีความอยากโลกก็จะไม่เจริญโลกก็จะเป็นเหมือนโลกยุคไดโนเสาร์คนก็อยู่ตามถ้ำกันใช่ร่างกายอาจจะอยู่ในถ้ำแต่ใจอยู่บนสวรรค์ใจสบายใจไม่ทุกข์กันแต่พวกเรานี่ร่างกายอยู่ในคอนโดอยู่ในเครื่องบินอยู่ในรถยนต์ แต่ใจมันร้อนเหมือนอยู่ในเตาอบอ่ะไหมขับรถ ด, ดูว่าใจร้อนไหมจะฆ่ากันบนท้องถนนเนี่ยปาดหน้าปาดหลังยกมือด่ากันว่ากันใจร้อนไหม่ตัวที่ท ำ, ทำให้ใจร้อนก็คือความอยากอยากจะไปเร็วๆอยากจะให้ถึงที่เร็วๆใครมาขัดมาขวางก็โกรธนี่แหละ ไม่เห็นว่าความอยากนี้เป็นศัตรูกลับไปเห็นว่ามันเป็นนิรมันก็เลยมาทำให้ใจเราทุกข์กันทำให้ใจเราต้องร้องหมร้องไห้กันไม่มีวันจบสิน้นแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นศัตรูนะแล้วทุกครั้งที่มันมาชวนเราเราไม่ไปกูไม่ไปแล้ะมึงจะชวนไปซื้อกระเป๋าไม่ไปจะไปทำบุญแทนเอาเงินไปทาบุญแทน ถ้าใจเด็ดเดี่ยวนี่โอ้โหเวลาชนะความอยากได้นี่มันสะใจมึงอยากซื้อกระเป๋านะเดี๋ยวไปทําบุญซะเลยอยากไปเที่ยวอนี่ยไปเอาไปทําบุญซะเลยรับร อ, องได้ต่อไปความอยากเหล่านี้จะหายไปหมดเ <c oughs> แล้วจะอยู่บ้านเป็นสุขไม่ได้เที่ยวก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ซื้อของฟุ่มเฟือยก็ไม่เดือดร้อน อยู่แบบส ม, มถะเรียบง่ายได้อยู่อย่างสบายใจไม่มีข้าวของเงินไม่มีข้าวของแต่ใจกลับมีความสุขเมื่อกว่ามีข้าวของเต็มบ้านแต่ใจก็ยังอยากเหมือนเดิมยังหิวเหมือนเดิมได้เท่าไหร่ไม่เคยมีคําว่าอิ่มว่าพอการทําตามความอยากนี้ไม่มีวันอิ่มวันพอการจะพบกับความอิ่มความพอนี้ต้องไม่ทำก็ตามความอยากแล้วความอิ่มความพอมันจะเกิดขึ้นมา เอาละนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุมโมทนาให้พรยะทาวรกวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคาลังเอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปกะปติอิชิตังปัติตังตุมหังกิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกาปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีที่ขายุโกภวะอคิวาธนสีฤทสานิจังวุฒาปจายโนจะตาโรธรรม วัฏทันติอายุวันโอสุขังภาลางังณตอนนี้ไม่มีแม่ดูแลแล้วจะทำยไงทำอะไรกันดีอะไปเที่ยวกันได้เลยแล้วบุญแล้วก็ หันบังมาอยู่วัดบังเลยมาถือศีลแปดอยู่วัดกันแล้วเที่ยวได้ละเที่ยวมาพอแล้วที่ก็เหมือนเดิมที่ไหนก็มีเหมือนเดิมมีมีต้นไม้มีภูเขามีน้ำทะเลที่ไหนมันก็เหมือนกันมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองให้ดูมีเสียงตุต๊ตักตุ๊ตักให้ฟัง ขอไปเที่ยวไปกั้งนะไปดูที่ไหนไอซ์แลนด์อซแลนดเยอ๋ออยากจะดูแสงก็เขาถ่ายรูปมาให้ดูไม่เหมือนกันนะไม่ถึงใจเลยอะไรมันก็ดูได้ตาเดียวกันรูปมันก็รูปมันเดียวกันทำไมนี่มีรูปมีคนไปถ่ายมาให้เรามาดูอยู่ถึงบ้านสบายจะตายไป ไม่ต้องไปให้เหนื่อยยากเหมือนกั น, นก็รูปเดียวกันนี่แหละสีมันก็สีเดียวกันเมื่อวานนี้เขาตื่นเต้นกันที่อเมริกาเห็นแสงดำเห็นสีดำกันเมื่อกี้เห็นสีดำพาาระจันทร์บทพระอาทิตย์เนี่อวานนี้ที่อเมริกานี่สุริยคลาดเต็มดวง อาเลยตื่นเต้นกันใหญ่โอ้โ oh. หความจริงเรามีสุริยาคขาดทุกวันเนี่ยเวลาพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราก็คาดเลย mm hmm. มลื <c oughs> <c oughs> ้ไปหมดเลยเข้าใจไหเวลาพระอาทิตย์ตกนี่โลกก็บงังพระอาทิตย์เต้นเต้นดวงเลยใช่อห ม, mm hmm. มเราก็มีของเราทุกวันแม้ต้องตื่นเต้นเลยพอ ม, มาเกิดขึ้นตอนกลางวันเพียงสองนาทีก็ตื่นเต้นกันใหญ่น้อยปีทันปียังมีสักครั้งหนึ่งเลยกลายเป็นของแปลกไป แต่ถ้าของที่มีจำเจทุกวันเลยไม่เป็นของแปลกไปเนี่ยโลกมันบังดวงอาทิตย์ทุกวันไม่ใช่เลยเวลาพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันโลกเราไปบังพระอาทิตย์แล้วไม่ใช่นะเห่นไหมเมืนตื่นเต้นกันเลยพอพระจันทร์มาบาังพระอาทิตย์หน่อยตื่นเต้นกันใหญ่ไม่มีปัญญาเป็นไปตามอารมณ์ตามตามคนเขา เขาอะไรเขาเขาเห่กันเขาเห่กันยังไงก็ตามเขาพวกมงคลตื่นข่าวเนะี่ยใครเขาว่าอะไรดีก็ดีตามเขาไปมันก็มีแค่อันนี้ว ง, งกลมๆสีดำๆอยู่สองสามนาทีก็กลายเป็นโอ้โหเรื่องใหญ่โตบางคนจองลงงแรมไว้ตั้งสองปีล่วงหน้า <c oughs> <c oughs> เดินทางจากโอ้ยประเทศต่างๆ เพื่อไปดูไอ้ดวงดบดานี้สองนาทีกว่าแล้วก็ไปติดรถกันเนี่ยพอดูจบปั๊บรีบกลับบ้านเลยรถติดยาวเหยยนเลยไปนั่งติดกันในรถอีกอยู่ในบ้านดูสบายสบายไม่ชอบเนี่ยไหนต้องขึ้นเครื่องไปเดี๋ยวเราไปยืนเข้าแถวผ่านกองตรวจคนเข้าเมืองผ่านพาะสปอตภายเขาเช็ดกระเป๋า อะไรอีกแล้วต้องไปเที่ก็ต้องไปหาโรงแรมอยู่อีกไม่เหนื่อยเลยของก็ถ่ายรูปมาให้เราดูสบายสบายไม่ดูกันเนี่ยหรือว่ามันมีเวลาว่างมากอยู่เฉยๆมันเบื่อเลยต้องหาอะไรทาแก้เบื่อแก้เหงานั่งสมาธิสิถ้าอยากจะแก้เบื่อแก้เหงาเนี่ยนั่งพุโทโธพุโทโธพุทโธไปเดี๋ยวหายเบื่อหายเหงา เนี่ยเราอยู่ที่นี่มาสามสิบปีแล้วไม่เห็นเบื่อไม่เห็นเหงาเลยนั่งสมาธิไปเนี่ยจิตสงบแล้วมันหายเบื่อหายเหงาหายอยากหายทุกอย่างอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ทีนไหนก็มีความสุขความสุขไม่ได้อยู่ที่เราไปดูนู่นดูนี่หรอกดูเท่าไหร่มันก็เหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมเลยโกงเปล่าเสียงเงินเปล่าเอาเงินไปทําบุญดีกว่า แต่ไม่ห้ามนะไม่ไม่ว่านะเดี๋ยวจะหาว่ามามาว่ามาห้ามพูดให้ฟังถ้าไม่พูดก็ไม่มีใครพูดเรื่องเหล่านี้เพราะส่วนใหญ่มีแต่ชวนกันไปเที่ยวไม่มีใครเบรกกันเพราะรู้ว่าเบรกแลต้องโดนบอกไ่เบรกใครเขาอยากจะเที่ยวไว้เบรกเขานี่เขาโกรธเราแล้วเนะี่ย ไปก็อยากจะดื่มสุราไปเบรคเขาเดี๋ยวเขาก็กอดเราแล้ ว, ลวเบรกไม่ได้ของพวกนี้มีพระเท่านั้นแหะที่เบรกได้แต่ก็เบรกไม่ได้อย่างน้อยก็พูดได้แต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นก็อีกเรื่องจะฟังหรือไม่ฟังอีกเรื่องฟังอยู่ฟังแต่ใจอาจจะเถียงในใจยังดีไม่เถียงออกมาทางปาก ถ้าเทียงทางปากแล้วก็ต้องหกปากมันไม่สู้เพราะเราไม่มาถกเทียงกับใครหรอกมีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีเดี๋ยวดูทางบ้านก็แล้ววันนี้ทางบ้านเข้ามาเท่าไหรนน่ทางเฟซบุกสูงสุดสี่ร้อยสี่ค่ะทางยูทูบหนึ่งร้อยสิบสี่ค่ะ มีคำถามต่างชาติไห ม, มยังไม่ ม, มีมีแต่ของไทยเลยเขาบอกให้ดูทำของ y o u t u ู e ให้เขาด้วยนะ u t u b e ไม่มีค่ะไม่มีเลยบางคนก็บอกเขาเขียนคาถามที YouTube. ่ย e ท t บนะพอคอยดูไห้ก็แล้วกันคำถามเลยะคะ่ะคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ ลูกอยาถามหลวงพ่อว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อจิตคิดไม่ดีนิสยาผู้อื่นว่าร้ายผู้อื่นค่ะก็หยุดมันเลยมันคิดไม่ดีก็หยุดมันก็ใช้พุทโธหยุดมันตอนนี้เราหยุดมันไม่ได้เพราะเราไม่มีพุทโธงั้นเราต้องมาหัดพุทโธกันไม่ใช่ง่ายนะพุทโธเนี่ยคําเดียวเนี่ยมันพูดง่ายฟังง่ายแต่เวลาจะให้มันมาพุทโธพุทโธหยุดความคิดต่างๆนี้มันไม่ง่ายถ้าเราไม่ซ้อมไม่ฝึกเอาไว้ เราต้องซ้อมต้องฝึกเหมือนกับวิ่งอ่ะวิ่งดูคนเขาวิ่งเราเค้ียร์ง่ายเนะียเราลองไปวิ่งดูเลยถ้าไม่เคยวิ่งวิ่งแค่ร้อยเมตรก็หอบแล้วะแต่ถ้าหัดวิ่งเรื่อยๆตอนต้นก็ร้อยเมตรต่อไปก็สองร้อยเมตรสามร้อยเมตรมันก็จะมีกําลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรามีพุโทโธนี่เวลาเราคิดไม่ดีเนี่เราหยุดมันได้พุโทโธนี้หยุดความคิดต่างๆได้ ยนมายามาฝึกพุโทโธกันถ้าพุโทโธยังไม่ได้ก็ฝึกสวดมนต์ไปก่อนก็ได้เพราะบางทีพุโทโธคําเดียวมันเบื่อก็ลองสวดพุธทธังสระนังกชามิทำมังสระนังกะชามิรรม ส, มสวดอิติปิโสร้อยจบปีถ้าสวดได้เวลาเกิดความคิดอิตชาลิชยาขึ้นมาก็ออิติปิโสผักกาวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธไป เดี๋ยวความคิดไม่ดีก็หายไปคำถามจากคุณพิมพรค่ะบุญที่เราช่วยงานศพจะได้บุญเท่ากับที่เราไปวัดทำบุญไหมคะเหมือนกันนะอยู่ที่เงินที่เราเสียไปเสียเท่าไหร่ก็ได้บุญเท่านั้นไม่ได้อยู่สถานที่ไม่ได้อยู่ว่าทำกับใครอยู่ที่ปริมาณการเสียสละของเราเสียสละมากความสุขก็จะมากบุญก็จะมาก เสียสละน้อยความสุขก็น้อยคําถามจากคุณสีเมืองค่ะนั่งสมาธิแล้วจําเป็นต้องเดินจงกรมไหมครับเดินว่าจําเป็นก็ไม่จําเป็นนะสำหรับคนที่แค่นั่งแค่แค่แค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปลุกขึ้นมาแล้วไปทํางานต่อมันก็ไม่ต้องเดินจงกรมเดินจงกรมนี่เขาสำหรับคนที่เขาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืน พอนั่งแล้วเมื่อยเขาก็ปฏิบัติต่อด้วยการเดินจงกรมพอเดินจงกรมแล้วเมื่อยเขาก็กลับมานั่งต่อเพราะเขาไม่มีงานอย่างอื่นทํำคือนั่งบวชเนี่ยพระเนี่ยท่านไม่มีงานอย่างอื่นก็มีแต่งานเดินจงกรมนั่งสมาธิจะให้นั่งไปทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ไหวเดี๋ยวร่างกายมันก็พิกลพิการร่างกายก็ต้องมีการเปลี่ยนเนร้ยาบวพอนั่งมันเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมเดินจงกรมเมื่อยก็กลับมานั่งใหม่ สลับกันไปคำถามจากคุณมินนี่ค่ะศัตรูหมายเลขหนึ่งคือความอยากแล้วศัตรูหมายเลขสองคืออัตตาใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เอาเอาหมายเลขหนึ่งเอาตัวเดียวนี่ก็พอตัวอัตตาไม่ต้องไปกังวลกันมันถ้าฆ่าความอยากได้อัตตามันก็หมดไปเองเพราะอัตตามันอาศัยความอยากเป็น ถ้าไม่มีความอยากอัตตา ม, มันก็แสดงตัวไม่ได้คาถามจากคุณเอ๋ค่ะการที่เราเล่นสลากกินแบงหรือเล่นหวยทำให้การปฏิบัติธรรมเราไม่ก้าวหน้าใช่ไหมคะก็แสดงว่าเรายัางอยากได้เงินอยู่อยากได้เงินก็เอาเงินไปเที่ยวไปทำตามความอยากมันก็มันก็ไม่ก้าวหน้าสิ <c oughs> ถ้าเราหาเงินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันไม่ทักมันละสามร้อยบาทก็พอกินแล้ว แม่เห็นจำเป็นจะต้องไปแทงหวยเล่นลอตเตอรี่เพรพวกแทงหวยลอตเตอรี่อยากได้เป็นหมื่นเป็นแสนกันใช่หไหมเราได้มาทําเอามาทําอะไรก็เอาไปซื้อของตามความอยากกันไปเที่ยวกันเท่านั้นเองอยั้นถ้าเราไม่มีความอยากลำแม่เห็นจเป็นจะต้องไปเล่นลอตเตอรี่แม่เห็นจะต้องไปแทงหวยเลยถ้าเราหาเงินเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องวันละสามร้อยบาทก็อยู่ได้แนละ้วคําถามจากคุณสาลิณีค่ะ ทำบุญร่วมกันชาติหน้าจะได้พบกันอีกไหมคะเวลาทําบุญต้องชวนคนที่รักกันมาร่วมทําบุญไม่ควรทําบุญคนเดียวคิดและทําแบบนี้ถูกต้องตามวิถีชาวพุทธไหมคะเจะว่าถูกก็ถูกเจะว่าผิดก็ผิดเนี่ยเวลาทําบุญถ้ามัวไปรอให้คนอื่นเขมาทํากับเราเดี๋ยวเกิดเข้าไม่มาเราก็ไม่ได้ทําสิยันมันก็ต้องดูดูความพร้อมถ้าเราอยากจะทําบุญว่าไม่มีใครอยากทับกับเราเราก็ทําคนเราไป ไม่เั็นเดี๋ยวต้องมาชวนคนนั้นชวนคนนี้รอเขารอคนนั้นรอคนนี้เดี๋ยวก็เลยไม่ได้ทำางั้นถ้าเราพร้อมที่จะทำบุญแล้วเราชวนแล้วไม่มีใครทำเราก็ทำของเราไปก่อนคำถามจากคุณนันทนาค่ะสติในขณะปฏิบัติสมถธิกับสติในวิปัสสนาเหมือนกันไหมเจ้าคะสติก็เหมือนกันคือใจต้องอยู่กับเรื่องเดียว ถ้าวิปัสสนาถ้าสมถะก็อยู่กับพุทโธพุทโธอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นก็เป็นวิสมถะถ้าอยู่กับวิปัสสนาก็ให้มันคิดอยู่กับเรื่องตายรักอนิจจทุกขังอนัตตาคิดถึงอริย ส, รรสัจสี่ทุกสมุทัยนิรโรธมากคิดถึงความอยากวิธีกําจัดความอยากทำอย่างไรถึงจะกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้อันนี้เรียกว่าวิปัสสนา คำถามจากคุณเก้าค่ะเน้นศึกกลางพรรษาได้ไหมครับศึกเมื่อไรก็ศึกได้ั้ันมีคำาบราณก็พูดนะพาจะพาคนจะออกลูกพาจะศึกนี่มันห้ามได้ที่ไหนคำถามจากคุณนงรักค่ะไม่เข้าใจคำว่าโทรพทัพพะภาวะตันหาวิภาวะตันหาค่ะขอพระอาจารย์โปรดสอนด้วยค่ะอ่าไปถาม Google ดูดีกว่าอ่านค่ะ อาจหาคำตอบเอาเองบ้างเพราะมันเป็นคำถามที่สามารถหาคำตอบได้ใน google แล้วจะได้รายละเอียดดีกว่าคำถามจากคุณเอกกี้ค่ะครั้งหนึ่งเคยนั่งสมาธิแล้วจิตสงบเราสบายลมหายใจค่อยๆหายไปต่อจากนั้นแขนขาร่างกายหายไปหมดไม่เหลืออะไรเลยมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเป็นความสุขที่ไม่เคยได้รับมาก่อน สุขมากที่สุดในชีวิตแต่หลังจากนั้นผ่านมาหลายปีก็ไม่เคยได้เจออีกเลยอยากทราบว่าสภาวะแบบนั้นคืออะไรครับก็คือความสงบเนี่ยเราอยากจะได้ก็ต้องมานั่งดูลมหายใจเข้าออกหรือดูบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหยุดความคิดให้ได้ครั้งนั้นมันอาจจะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นจังหวะที่มันไม่ได้คิดอะไรมันหยุดคิดมันก็เลยได้ความสงบแต่จะให้มันเหมือนครั้งนั้นอีกมันคงจะ ยากถ้าอยากจะให้มันเหมือนก็ต้องมาพุโทโธพุโทโธหรือ ม, มาดูลมหายใจเข้าออกคํถาถามจากคุณลีค่ะเราจะไระงับอารมณ์ในการดูเด็กๆได้ยังไงคะก็ใช้พุโทโธในเวลาจะดูเด็กแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปหัดหัดหยุดอารมณ์หยุดหยุดใจของเราฝึกตอนนี้ใจเราเหมือนรถไม่มีเบรกเงครั พอเจอสียแยกไฟแดงก็หยุดไม่ได้ก็ต้องไปชนกับรถคันอื่นพอเกิดอารมณ์อยากจะดุเด็กก็หยุดไม่ได้เพราะเราไม่มีเบรกเนี่ยเราต้องสร้างสติขึ้นมาให้ได้ด้วยการใช้พุทโธพุทโธพุทโธเวลาเกิดอารมณ์ก็พุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าอยู่กับพุทโธเดี๋ยวความอยากจะไปดุเด็กก็จะหายไปคำถามจากคุณนาลาค่ะ การสวดมนต์ตาม u t u b e ในทุกเช้าค่ำด้วยใจที่ศรัทธาได้บุญหรือเปล่าคะได้สวดสวดที่ไหนก็ได้สวดสวดโดนที่ไม่ต้องมี y o u ูทูปก็ได้ขอให้เราสวดสวดเพื่อเราจะได้ไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้<ม>เป็นการทําสมาธิแบบอ่อนๆแบบแบบหยาบๆพอเราไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจเราก็เย็นสบาย ความเย็นสบายของใจก็คือบุญนี่ความสุขใจคำถามจากคุณกรค่ะข้าพเจ้านั่งสมาธิประมาณหนึ่งชั่วโมงเกิดเวทนาเมื่อออกจากสมาธิเป็นไข้สูงปวดขามากทำอย่างไรจะสร้างกำลังใจให้ปฏิบัติต่อได้คะอ้าวก็ไม่รู้เหมือนกันทํทำไงก็คุณนั่งได้ก็นั่งต่อไปสิ บอกว่ามันเป็นหน้าที่เป็นการฝึกเป็นการฝึกจิตส่วนเรื่องการเป็นไข้นี้มันเราก็ไม่ทราบว่ามันเป็นผลจากการนั่งหรือมันเป็นผลจากความไม่สบายของร่างกายเพราะบางทีร่างกายมันอาจจะเป็นไข้จะจะเป็นไข่อยู่แล้วพอไปนั่งสมาธิมันก็ทําให้เป็นไข่ได้เพราะปกติคนอื่นเขานั่งเขาไม่ได้เป็นไข้กันยั้น เราก็เลยไม่เข้าใจคำถามว่าจะเอากำลังใจยังไง mm hmm. ก็นั่งไปที่ก็บอกพยายามนั่งไปเรื่อยๆ mm hmm. นั่งแล้วมันจิตจะสงบจิตจะมีความสุข mm hmm. อย่างน้อยนั่งไปชั่วโมงหนึ่งก็ประหยัดประหยัดเงินทองไปชั่วโมงถ้านั่งไม่เป็นสุขเดี๋ยวชั่วโมงหนึ่งก็อาจจะเอาไปซื้อขนมมากินก็ได้หรือไปทำลายเสียเงินเสียทองไป mm hmm. ถ้าเรานั่งเฉยๆได้นานเท่าไหร่ การที่เราจะต้องใช้เงินทองก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆที่เราต้องใช้เงินทองกันเพราะเราอยู่ไม่เป็นสุขกันคำถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่ค่ะนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนหนอนไต่ในหัวใจรู้สึกยิบยิในหัวใจพยายามตั้งสติว่าเป็นกิเลสมารขัดขวางไม่ให้เราปฏิบัติแก้ปัญหาด้วยการ น, นั่งแล้วออกสมาธิสลับกันเวลารู้สึกหนอนไต่ อยากถามว่าแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงคะก็อย่าไปสนใจมันนะให้เกาะติดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเวลามีอะไรมาลบกวนใจเราเราอย่าไปสนใจมันให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสวนส่วนอิติปิโสไปก็ได้ดูลมหายใจเขาออกก็ได้ยังได้ย่างหนึ่งวิธีไหนทำให้เราผ่านไปได้ก็ใช่วิธีนั้นข้อสำคัญอย่าไปสนใจกับความรู้สึกที่กาลังเกิดขึ้น ยิ่งไปสนใจมันยิ่งจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาต้องอย่าไปสนใจอย่าไปรับรู้มันให้รู้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปคำถามจากคุณชดาพรค่ะบุญที่เราทำในชาตินี้เราจะสเสวยผลบุญตอนไหนเจ้าค่ะก็ตั้งแต่ตอนนี้แหละทำปุ๊บ ม, มันก็ได้ปั๊บเลยพอใส่บาปปั๊บก็เกิดความสุขใจเกิดบุญขึ้นมาแล้ว แล้วมันก็จะอยู่ไปจนกว่ากําลังของบุญนั้นมันจะหมดไปคําถามจากคุณขวัญเรือนค่ะบางครั้งก็อยากไปเที่ยวไปเมืองนอกเราควรต้องหยุดความอยากโดยการไม่ไปใช่ไหมคะแล้วเราทําได้เราจะได้บุญใช่ไหมคะใช่เราจะได้มีเงินเหลือใช่ไหมหรืว่าเราจะได้เอาเงินไปทําบุญเราก็จะได้มีความสุขจากการทําบุญคําถามจากคุณนันทนาค่ะ ถ้าเรายังต้องเสพลูกลดกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่ยังตัดไม่ได้เราควรเลือกสิ่งที่พอใจที่ชอบใจหรือเลือกสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่พอใจเช่นเลือกรับประทานอาหารแต่ที่อร่อยไม่อร่อยไม่เอาได้ไหมคะเลือกอาหารแต่ที่อร่อยอาหารแน่อร่อยไม่ไม่เอาก็มันมันก็ไม่ต้องเลือกอยู่แล้วมันก็เป็นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วไม่ใช่เลยมีใครไปเลือกกินอาหารที่ไม่อร่อยบ้างอะ ก็มีแต่เรื่องอาหารที่อร่อยเท้านั้นคำถามจากคุณตองค่ะคนที่ไม่ได้ภาวนาเวลาเขาตายแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนค ะ, ะเขาก็ถ้าทำบาปเขาก็ไปอบายถ้าทำบุญไม่ทำบาปเขาก็ไปสวรรค์ไปเป็นเทพถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปเขาก็ไปเป็นมนุษย์ต่อถ้าภาวนาก็ไปเป็นพรหม ถ้าวิปัสสนาได้ก็ไปเป็นพระอริยเจ้าไปนิพพานภาวนามีสองระดับถ้าสมถะภาวนาก็ไปแค่สวรรค์ชั้นพรหมถ้าวิปัสสนาภาวนาต่อจากภาวนาสมถะภาวนาได้ก็ไปขันอาลัยเจ้าขันโสดาบันชั้นอนาคามีชั้นอนาหารหันต์ไปคำถามจากคุณไตรยั์ค่ะ การฝึกสติพุทโธคราวละหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่นั่งสมาธิอย่างนี้ถูกไหมครับเธอคนยังฝึกไปทั้งวันเลยไม่ใช่เฉพาะหนึ่งชั่วโมงเวลาไหนทําได้ทําไปเลยเพราะเราทําได้ในทุ ก, กิริยาบุตรไม่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดกับงานที่เราทําอยู่แล้วก็พุทโธไปเช่นอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันหวีผ้าห ว, วีผมพุทโธพุทโธไปฝึกไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปพุทโธจะมีกําลังหยุดความคิดต่างๆที่ไม่ดีได้หยุดความอยากได้คําถามหมดค่ะรักรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอคําถามเข้ามาใหม่มีคําถามแถวนี้ไหมวันนี้คนไม่มากเพราะวันวันหลังวันพระมักจะเป็นอย่างเนี้ยวันพระคนจะมากแต่พอวันหลังวันพระก็จะน้อย ดั้นหน่อยกจะ ม, ม, จกมนะใช้ธธไ ด, ได้ได้พุทโธก็ได้นนไม่ผิ ด, ผดขอให้เราไม่คิดอะไรทั้งนั้นเองให้ให้ใจเรามีอะไรทําให้มีให้ใจเราไม่คิดอยู่กับเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งพุทโธธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้ะหรือจะพิจารณ จะท่องผมขนเล็ดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปก็ได้หรือจะเอากระดูกอย่างเดียวก็ได้กร ะ, ะ, ะ, ะดูกกระดูกกระดูกกระดูกกาลังเดินอยู่เนี่ยคงกระดูกกาลังเดินอย่เนี้ยอะไรก็ได้ไว้เป็นเครื่องผูกใจไม่ให้ใจไปคิดถึงอราบยศจะรเสริญไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงเกล็นรดต่างๆวันนี้ลายนานดีใช่ไหมดีนะอะไม่ไม่หลุดเลยนะ ทางบ้านคงจะถามพอแล้วมั้งมีค่ะถามเข้ามาแล้วค่ะคําถามจากคุณกิติมาค่ะความคิดธรรมดาและความคิดปรุงแต่งต่างกันอย่างไรคะก็เหมือนกันละ่ะคิดธรรมดาคิดปรุงแต่งมันก็เป็นความคิดเหมือนกันความคิดปรุงแต่งก็ปรุงว่าเดี๋ยวจะไปทํากับข้าวอ่าอันนี้ก็ปรุงแต่งแล้วะเดี๋ยววันนี้จะกินข้าวผัดจะทํำข้าวผัดจะทําก๋วยเตี๋ยว อันนี้ก็เป็นปรุงแต่งเหมือนกันคิดธรรมดาก็เป็นก็ความเป็นความคิดเหมือนกันเป็นสังขารสังขารความคิดปรุงแต่ง hmm. คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้พอคิดแล้วมันมักจะมีความอยากตามมาคิดแล้วคิดถึงขนมเมื่อเดี๋ยวก็อยากกินะคิดถึงเครื่องดื่มเดี๋ยวก็อยากดื่มคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวก็อยากไป ถ้ามันรวยคิดถึงมันมันก็จะไม่มีความอยากตามมาคำถามจากคุณกันจนาค่ะคารวะสวดพรกคาถายอดทะกันใจบิดกได้ไหมคะได้ได้ใครสวดได้ทั้งนั้นคำถามจากคุณสุริค่ะนั่งสมาธิแล้วลมหายใจเบาลงร่างกายหายไปแล้วรู้สึกมีปิติมีความสุขมากพอหน้าอีกก็เป็นแบบนี้อีก พอมีปิติก็ถอนออกมาเพราะรู้สึกว่าสุขพอแล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแต่เคยมีครั้งหนึ่งที่นั่งไปแล้วข้ามความปิติแบบข้ามความปิติไปเหมือนตกอยู่ในพวาวางนิ่งและรู้สึกมีสติตลอดเวลาแค่ครั้งเดียวก็ไม่เคยเป็นอีกต้องทำอย่างไรต่อไปให้พัฒนาไปอีกคะก็ต้องไปกลับไปให้มันนิ่งบ่อยๆนิ่งมากๆนิ่งนานๆวิธีจะเข้าไปก็ให้พุโทโธพุโทโธต่อเวลาปิติแล้วอย่าหยุด พุทโธต่อหรือดูลมต่อเหมือนนั่งรถเนะ่ยถ้านั่งรถไปถึงบางแสนแล้วอย่าเพิ่งลงนั่งต่อไปเดี๋ยวจะได้ไปถึงเมืองชนได้ถ้าไปถึงบางแสนปักก็ลงจากรถไม่ไ ม, ไม่ไม่นั่งอยู่ในรถมันก็ไปต่อไม่ได้พุทโธนี่เหมือนรถเนี่ยการดูลมหายใจเข้าออกนี่เหมือนเหมือนรถถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธนี่แสดงว่ารถยังวิ่งอยู่เรายังไปกับรถอยู่ ยังถ้าเรายังไม่จุดถึงจุดนิ่งถึงจุดที่เหมือนกับรถไฟเนี่ยมันพอถึงสถานีหัวลําพงแล้วมันวิ่งต่อไปไม่ได้นะเพราะไม่มีรางวิ่งนะอันนี้ก็เหมือนกันพอนั่งสมาธิไปพอถึงจุดที่มันนิ่งก็ถึงว่ามันถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องนั่งต่อต้องภาวนาต่อไปต้องพุทโธต่อไปต้องดูลมต่อไปอย่าหยุดคํถาถามจากคุณน้ําปุงค่ะ ที่พระอาจารย์สอนว่าจะได้บุญมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจาํานวนเงินที่ทําบุญแล้วคนที่ไม่มีกําลังเงินมากแต่อ่ะทําบุญมากขึ้นควรทําอย่างไรคะก็ทําบุญอย่างอื่นได้รักษาสินรักษาศินได้บุญมากกว่าบุญที่ได้จากการเสียเงินเสียทองไปหรือภาวนาอย่างพระนี่ไม่มีเงินใช่ไหมพระมีเงินหรือเป่พาพระมีเงินทําบุญเหมือนญาติโยมหรือเปล่าแต่พระกลับได้บุญมากกว่าญาติโยมใช่ไหม พ่อพระรักษาศีลทั้ง227ข้อพระภาวนาทั้งวันทั้งคืนเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยคือความสุขมันจะมากกว่ากันความสุขที่ได้จากการภาวนานี้มากกว่าความสุขที่ได้จากการรักษาศีลความสุขที่ได้จากการรักษาศีลมันมากกว่าความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานที่ที่ญาติโยมทาบุญทําทานเพราะมันเป็นสิ่งที่ญาติโยมทํากันได้ง่ายที่สุด มีเงินก็หยอดใส่ตู้ไปเงินซื้อกับข้าวใส่บาทไปก็ได้บุญละอแต่จะให้ญาติโยมมารักษาสิ่นนี้มันยังยากนะยังอยากโกหกอยู่ยังอยากดื่มเหล้าอยู่ยังอยากอะไรต่างๆอยู่มันก็เลยรักษาสินยากนี่จะให้มานั่งสมาธิพุโทโธนี่แทบจะไม่มีเวลาทําได้เลยก็เลยสอนให้ญาติโยมเนี่ยทําบุญทําทานกัน แต่ถ้าญาติโยมเป็นคนยากจนไม่มีเงินทองก็ไม่ต้องทาบุญทงทานถ้าอยากจะได้บุญก็ต้องมารักษาสินหรือถ้าไม่รักษาสินไม่ได้ก็เอากำลังกายไปช่วยไปทาบุญแทนก็ได้ไปช่วยเก็บขยะในวัดนี้ไปล้างซ้วมในวัดอย่างนี้ไปทาอะไรเป็นสาธารณประโยชน์ไปช่วยปอดเติ้งเขาเก็บศพองนี้อันนี้ก็ได้บุญเหมือนกันไม่มีเงินแต่ก็ใช้ แรงกายของเราเป็นบุญได้ทําบุญได้หรือถ้าเราพูดเก่งเราก็เอาวาจาของเราไปเป็นบุญก็ได้เอาไปพูดสอนคนให้รู้จักอะไรบางอย่างบางเรื่องเช่สอนให้เขาทํากับข้าวอย่างเงี้ยโดยที่ไม่คิดจะตงังคนที่ทํากับข้าวไม่เป็นพอได้เรียนรู้จากเราเขาก็จะได้มีอาชีพอันนี้ก็เรียกว่าวิทยาทาน ถ้าเรามีความรู้เราไม่มีเงินเราให้ความรู้ได้เช่นเราอาจจะเป็นข้าราชกา ร, กรเกษียณแล้วไม่มีเงินทำบุญเราก็ติวเด็กได้สอนพิเศษให้เด็กได้โดยที่ไม่คิดเงินทองเขาสอนวิชาที่เราถนัดคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อันนี้ก็เป็นวิทยาทานก็เป็นบุญเหมือนกัน คำถามจะคุณเอกกี้ค่ะคาราว่าสามารถบรรลุทําได้หรือไม่ครับได้อยู่ที่ว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันไม่ได้อย <c oughs> ู่ที่ว่าเป็นพระหรือเป็นคาราว่าเป็นพระแต่ไม่ได้ปฏิบัติก็เหมือนกับโยมที่ไม่ได้ปฏิบัติเป็นโยมที่ปฏิบัติก็เหมือนกับพระที่ปฏิบัติมันไม่ได้อยู่ที่พระหรือโยมมันอยู่ที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้มันก็บรรลุทําได้ คำถามจากคุณลาวันค่ะจิตที่เฉยเฉยไม่อยากภาวนาพุทโธไม่ปรุงแต่งอะไรเป็นเช่นนี้ทุกวันจะถูกไหมคะก็ดูว่ามันยังมีความอยากหรือเปล่าถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ยังไม่ถูกถ้าตัดความอยากได้ถึงจะถูกก็จะไม่ว่าตอนที่มันไม่คิดเท่านั้นเองพอตอนที่มันอยากก็ลืมไปแล้วว่ากาลังคิดกำลังอยาก เวลาบางเวลานั่งเฉยๆก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้อยากอะไรเวลาไม่ได้คิดอะไรไม่ได้อยากอะไรก็ดีแต่มันจะไม่คิดอะไรไม่อยากอะไรได้ไปนานทักเท่าไหร่ต้องดูต่อไปอคำถามจากคุณหลิงค่ะภาพจิจณากายอย่างผมขนเล็บแล้วเรานึกว่าตัดผมใส่ชามข้าวอย่างนี้จะถูกไหมคะหรือมันเป็นสัญญาสังขารไปคะ คือการพิจารณาร่างกายอาการต่างๆเพื่อให้เราเบื่อร่างกายไม่หลงไหลคล้างไคลกับรักร่างกายใครเห็นส่วนที่ไม่สวยงามเห็นเหงื่อใครเห็นโครงกระดูกเนี่ยโครงกระดูกนี่เห็นกระโหลกศีรษะเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นสมองนี่ ถ้ามันเห็นอย่างนี้แล้วมันจะใยนักไหมจะชอบไหมเห็นอยากจะได้มาเป็นแฟนไหมนั่นคือการเห็นร่างกายวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งการเห็นร่างกายเพื่อให้เห็นว่าไม่มีตัวเราในร่างกายนี้ร่างกายนี้มีแต่อาการสามสิบสองมีอาการเราสามารถเรียกว่าอาการสามสิบสองอาการใดอาการหนึ่งว่าเป็นเราได้ไหมเราเรียก็ผมนี่เป็นเราได้เป่า คนนี้เป็นเราได้ป่าเราเป็นผมหรือเปล่าเราเป็นเล็บหรือเปล่าเราเป็นฟันหรือเปล่าเมืม่อเราค้นหาดูในร่างกายเราก็จะรู้ว่าไม่มีตัวเราเราไปคิดเองว่ามีตัวเราเหมือนเราเราเหมือนกับเราลืมแว่นตาไว้เราคิดว่าอยู่ในกระเป๋าเราก็เลยลองเปิดกระเป๋าค้นหามันดูเลยอะค้นไปค้นมาไม่มีแว่นตามีแต่ทิชชู่มีแต่อะไรล่ะที่เขาใส่ในกระเป๋าวนะันนี้ ถ้าไม่ค้นดูก็ไม่แน่ใจในชะ่ไหมว่าแว่นตาเราอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าก็ต้องค้นมันสิเปิดมันดูที่เขาบอกว่าที่เราคิดว่าเราตัวเราอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ตรงไหนเราเข้าไปค้นดูเลยเข้าไปค้นหาดูทั้งสามสองอาการดูเมื่อมันไม่มีเราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราเราจะได้ไม่ต้องไปกลัวเวลาร่างกายเป็นอะไร เราร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นไปกับมันเราเป็นคนเชิดร่างกายเข้าใจหรือเปล่าร่างกายเป็นเหมือนหุ่นเคยเห็นคนเขาเชิดหุ่นไหมหุ่นก็คนเชิดหุ่นกับหุ่นมันคนเดียวกันหรือเปล่า น, น, นั่นแหละร่างกายกับเราก like ็เป็นคนลรคนกันเราเป็นคนเชิดมันเราเป็นคนสั่งมันใช่ไหยสั่งให้มันยืน ส, สั่งให้มันเดิน ส, media, สั่งให้มันยิ้มสั่งให้มันร้องไห้ สั่งให้มันกินสั่งให้มันดื่มใครเป็นคนสั่งเราเนี่ยเป็นคนสั่งแต่ร่างกายเป็นคนรับคำสั่งคนรับคำสั่งกับคนสั่งไม่ได้เป็นคนเดียวกันนี่คือการแยกร่างกายด้วยการวิปัสใช้วิปัสสนาพิจารณาร่างกายพิจารณาอาการสามสิบสองคำถามจากคุณพาคินค่ะที่ว่าคาราวาตบรรลุธรรมแล้วจะเสียชีวิตในเจ็ดวันจริงไหมครับไม่จริงหรอก คือถ้าจะเสียชีวิตก็ไม่ได้เสียชีวิตเพราะบรรลุธรรมเข้าใจไหมพอเรามันจะตายมันบรรลุหรือไม่บรรลุมันก็ตายพอดีมันมีเรื่องที่มันเรเอิญมาตายตอนที่บรรลุธรรมมันก็เลยคิดว่าถ้าเป็นคาราะแล้วต้องตายเยช่นพ่อพระพุทธเจ้านี่บรรลุธรรมเจวันก่อนตายความจริงไม่บรรลุธรรมก็ตายเหมือนกันน่ะที่ที่บรรลุธรรมว่าพระพุทธเจ้าไปโปรดไปสอน เลยได้บรรลุธรรมก่อนตายแต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปโปรดก็ตายเหมือนกันตายเหมือนไม่ได้อยู่ที่ว่าบรุษุธรรมแล้วตายปอดีมันเป็นจังหวะอันเดียวกันอย่างเมื่อวานนี้มีสุริรยคขาดอนี่เดี๋ยวเกิดมีคนเกิดมาก็ก็โทษโทษว่าเกิดโทษสุริยคขาดสิมันไม่ใช่มันเราไปจับแพะชนแกะกันเท่านั้นเองคําถามจากคุลินดาค่ะ หลายครั้งที่หนูใส่บาตรแล้วไม่รู้สึกติออะไรรู้สึกเฉยเฉยแต่เวลานั่งสมาธิกับรู้สึกสงบอิ่มใจมากกว่าหนูควรจะหมั่นทาบุญด้วยการใส่บาตรต่อไปหรือควรเน้นแต่การนั่งสมาธิอย่างเดียวดีคะก็แล้วแต่หนูหนูอยากจะได้อะไรก็ทำไปวาวบุญแต่ละอย่างมันก็เหมือนสินค้าที่เราไปซื้อมันไม่เหมือนกันหนูทาบุญหนูก็จะได้เงินกลับมาชาติหน้า กลับมาเกิดหมาชาติหน้าก็จะมีเงินรออยู่ถ้าหนูภาวนาหนูไม่ใส่บาทหนูกลับมาชาติหน้าก็ไม่มีเงินรออยู่แต่หนูก็จะภาวนาเก่งก็เลือกเอาอยากจะได้บุญแบบไหนก็เลือกเอาคำถามจากคุณแสงจันทร์ค่ะระดับใดถึงเรียกว่าบารรลุธรรมเจ้าคะก็ระดับบรรลุธรรมสิต่ <laughs> อเลยปะคะ อ้าวตอนนี้ให้ว่าไงล่ะถามแบบนี้ก็ต้องตอบแบบนี้ไงคำถามจากคุณไร้ตัวตนค่ะตัวผมเองไม่เคยภาวนามาก่อนครับเคยนั่งคิดพิจารณาด้วยใจนเนื้ออยู่ในที่สับสนวุ่นวายจิตคิดตามความจริงเกิดโลดสังเวชจิตดิ่งว่างสว่างไร้วัตถุยี่สิบวินาทีเป็นไปได้ไหมครับได้ก็ถ้าเราคิดว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ แล้วเราสลดสังเวชปลงได้มันก็มันก็สงบได้ถามหมดค่ ะ, ะหมดเดี๋ยวรอเดี๋ยวเด๋ยวเข้ามาใหม่เราไม่ดิน้นละเฉยๆรอคำถาม <c oughs> มีการอะไรอยา ก, กถามไหมเป็นไงแม่เสียแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเห <c oughs> วงวางว้าเหวไหมไม่ค่ะก็คุยกับ เราต้องตายนะคะถือญาติยายเราไม่มีใครเหลือเสักคนถ้าเราถ้าเรารู้ลงหน้ามันก็จะไม่ค่อยจะรู้สึกอะไรก็ตอนแม่เสียก็บอกว่าแม่พิงเหอะร่างกายนี้ม่ยังอ่าแม่ไปเปลี่ยนร่างกายดีกว่าไปนงฟ้าอยู่บนรวัสดิ์จะดีกว่านี้กลับมาจะได้ร่างกายใหม่ดีกว่าเก่าไหม่อี่มเลยก็บอกว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วแม่อยากอยู่แต่ร่างกายนอยู่ไม่ได้แล้ว ก็เหมือนกันอเหมือลูกก็ต้องเป็นอีออ้ทุกคนเหมือนกันหมดต้องหัดตายไว้ตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาตาย mm hmm. พอถึงเวลาตายเราจะไดตายเป็นกัน mm hmm. ถ้าเราไม่ฝึกตายไว้เวลาตายเราจะตายไม่เป็น mm hmm. พอตายไม่เป็นแล้วมันจะสับสนอ mm hmm. มันจะวุ่นวายอแต่ถ้าตายเป็นแล้วมันจะสงบจะสบายเหมือนนอนหลับไปเท่านั้นเวลาเรานอนหลับเวลาตายนีก็เหมือนนอนหลับ หลับแบบไ่ตื่นไงถ้าตื่นอีกทีก็ตอนที่ได้ร่างกายอันใหม่ตอนที่มาเกิดใหม่ตอนนั้นถึงตื่นระหว่างที่เราหลับนี้ก็เป็นระหว่างที่เราไปฝันดีฝันร้ายถ้าฝันร้ายก็ก็เป็นผลของบาปที่เราทำถ้าฝันดีก็เป็นผลของบุญที่เราทำแล้วพอถึงเวลาได้ร่างกายใหม่ก็ตื่นขึ้นมาใหม่คลอดออกมาจากท้องแม่ก็ลืมตาขึ้นอ้าตื่นแล้วเหรอ ได้ร่างกายอันใหม่ได้ไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ท่านั้นอ่ะชีวิตเราก็เปลี่ยนไปด้วยร่างกายเก่าพอมันหมดก็ต้องไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ระหว่างที่รอร่างกายอันใหม่ก็ไปฝันดีฝันร้ายไปตามบุญตามบาปที่เราทำกันทําบุญก็จะฝันดีทําบาปก็จะฝันร้ายท่านั้นนหละความสุข่ยความสุขก็เกิดจากการฝันดี ความทุกข์ก็เกิดจากกานฝันร้นายเราทำบาปมันก็จะฝังในใจเราพอเรานอนหลับไอบาปที่เราทามันก็จะกลับมาหลอนเรามาหลอกเราเราทำบุญเวลาเรานอนหลับเวลาตายไปบุญนี้ก็จะมาหลอกมาหลอนเราแต่เป็นของดีไงบุญนี้เป็นของดีเป็นแต่ความสุขทำแต่ความดีช่วยแม่ให้แม่มีความสุข เวลานอนหลับก็จะฝันว่าแม่มาหาเรามาเยี่ยมเรามาดูแลเราอะไรมันจะเป็นฝันดีถ้าเราทําดีมันจะฝังเรื่องดีไว้ในใจเวลานอนหลับเรื่องดีก็จะโผล่ขึ้นมาเวลาเราทํำบาปเราก็จะฝังเรื่องไม่ดีไว้ในใจพอเรานอนหลับเวลาเราตายเรื่องไม่ดีมันก็จะโผล่ขึ้นมาเบางทีเรายังไม่ต้องตายเลยลเวลานอนนอนหลับเนี่ยบางทีบางเคินฝันลายเนี่ย แสดงว่าเนี่ยเป็นผลจากที่บาปเราทำมาไว้มันถึงทำให้เราฝันร้ายกันถ้าเราฝันดีก็เป็นผลจากบาปจากบุญที่เราทำกันเพียงแต่ว่ามันฝันชั่วข้าวเพราะว่ามันเดี๋ยวต้องกลับมาเวลาร่างกายตื่นมันก็ต้องกลับมาเข้ามาในร่างกายแต่ถ้าไม่มีร่างกายจะมากลับมันก็ฝันยาวเลยฝันไปจนกว่าจะมีร่างกายใหม่ถึงจะกลับเข้ามาร่างกายใหม่มาตื่นมาเกิดใหม่ พยายามทำความดีไว้ทำบุญสามระดับเนี่ยทำทานสม า, ารักษาศีลภาวนานี้จะฝันดีตายไปจะฝันดีไปสู่สุกติกลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดดีกลับมาแบบมีบุญมีวาสน า, ามีคำถามก็มาไหมคำถามจากคุณชิค่ะครานี้กะสมาธิ สามารถจะเอามาใช้เจริญวิปัสสนาได้ไหมครับยังหรอกเพราะมันเป็นแค่ป๊บเดียวเป็นเวลานกกระจอ ก, กินน้ำอย่างกำลังของอุเบกขายังมีน้อยอยู่แต่จะพิจารณาได้แต่มันจะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีกำลังที่จะไปสู้กับกิเลสต้องเป็นอัปปนาสมาธิต้องนิ่งนานๆนนต้องนิ่งทั้งวันทั้งคืนนั่นะถึงจะเหมาะกับการที่จะไปใช้กับการวิปัสสนา ดังเบื้องต้นนี้คนปฏิบัตินี้เขาจะฝึกสมาธิให้ชํานาญก่อนให้จิตสงบทั้งวันทั้งคืนเลยไปแล้วออกจากสมาธิมาพอไม่สงบก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่เพราะสมาธินี่ก็เหมือนน้าที่เราแช่ในตู้เย็นเวลาแช่อยู่ใี้เข้าไปในสมาธิก็เหมือนทําใจให้เราเย็นให้เรามีความสุขพอเราออกจากสมาธิมาก็เหมือนเอาน้ําออกจากตู้เย็นเอามาเดี๋ยวเดียวไม่นานเดี๋ยวน้ําก็หายเย็น พอหายเย็นเราก็ต้องกลับเข้าไปใหม่ใจออกจากสมาธิมาสักพักเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกิเลสออกมาเพ่นพ่านเราก็กลับเข้าไปในสมาธิก่อนฝึกทำสมาธิบ่อยๆทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ไม่เรียกว่าติดสมาธิหรอกเป็นกำลังสร้างสมาธิยังไม่มีสมาธิจะไปติดสมาธิได้ยังไงมันต้องสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนพอเราสามารถมีสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วน่ะทีนี้ ถ้าไม่ทําวิปัสสนาต่อถึงนี้เรียกว่าติดสมาธินะ่ะตอนตอน้องต้องสร้างสมาธิให้ได้ให้มันจิตสงบได้ทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่งนอนอยู่อีลายบทไหนก็สงบไม่สงบก็เข้าไปในสมาธิใหม่ทำํำจนกระทั่งชํานาญเข้าสมาธิได้ทุกเวลาไม่เหมือนกับเข็นโคกขึ้นภูเขาเข็นโคกขึ้นภูเขาเวลาหัดทําสมาธิใหม่ๆนี่แหมกว่าจะสงบสักครั้งนี้เหมือนกับเข็นโคกขึ้นภูเขา เราต้องทำแบบจนชำนาญเหมือนกับเดินตัวเปล่าขึ้นภูเขาพุทพัดพุท พ, พัดเดินขึ้นเขาเลยเราต้องชำนาญในสมาธิก่อนแล้วเราค่อยไปทางปัญญาต่อไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเรามีปัญหาเพราะไปทางปัญญามันต้องใช้ความคิดเดี๋ยวคิดโดยเถิดมันก็จะฟุง้งแล้วถ้าเข้าสมาธิไม่เป็นก็จะก็จะฟุง้งจะไม่สามารถหยุดความฟุ้งได้แต่ถ้าเราชนานาญทางสมาธิ พอเราพิจารณาทางปัญญาแล้วมันทะเลถลายไปคิดเรื่องอื่นทําให้ฟุ้งซ่านก็หยุดมันได้กลับเข้าไปในสมาธิได้คําถามจากคุณวันศุกร์ค่ะการที่เราคิดแล้วพูดหรือทําตามสัญชาตญาณแล้วแล้วมีคนมาบอกว่าความคิดและการการะทําของเราไม่ผิดศีลแต่ไม่ถูกทำเพราะเป็นความคิดที่มีอัตราตัวตนสูงแสดงว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรวของเราทั้งความคิด คำพูดการกระทําที่มีคําว่าตัวเราของเราก็ยังถือว่าผิดใช่ไหมคะก็ม <bow. S 2> ันยังเป็นความหลงไงเลราความจริงไม่มีตัวเราของเราทุกอย่างไม่มีเราไม่มีของเราตัวเรานี้เป็นตัวหลงเราคิดขึ้นมาเองเราคําว่าเราคิดก็หลงอีกอะความจริงมันต้องเป็นความคิดความคิดมันมันผลิตมันปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนมันแต่งนิยาย แต่งเราแต่งเขาขึ้นมาแต่งขึ้นมาในจินตนาการมันไม่มีของจริงมันเป็นเกิดจากความคิดปรุงแต่งตัวเราตัวเขาเนี่มันเกิดจากความคิดปรุงแต่งคำถามจากคุณแสงจาัาค่ะมีสติมีปัญญาแค่ไหนคะถึงจะเรียกว่ามีธรรมเจ้าค่ะไม่รู้เหมือนกันนะถา ม, มอย่างนี้เราจะตอบังไไม่มีเครื่องวัดนี่ มัน ม, มีมีตาชั่งนี่ว่าสติกี่กิโลถึงจะเป็นธรรมสติไม่กี่กิโลถึงไม่เป็นธรรมนี่ยคำถามจากคุณชดาพรค่ะพ่อแม่ไม่ชอบเข้าวัดค่ะเราจะพูดยังไงให้ท่านเข้าใจคะอ่าเขาไม่ชอบเร า, เราจะไปทําให้เขาเข้าใจยังไงเขาไม่ชอบก็เรื่องของเขานสิเราชอบก็เรื่องของเราถ้าเราอยากจะให้เขาเข้าวัดเราก็หาอุบายให้เขาไปสิ อย่าไปชวนเขาแต่บอกเขาว่าไปวัดคนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนไปเขาอาจจะไปกับเราก็ได้ท่านเขาไปวัดแล้วเขาได้ฟังเทศฟังธรรมก็าอาจจะติดใจก็ได้ก็าอาจจะชอบเข้าวัดต่อไปก็ได้เพราะบางทีเขามีความคิดผิดนี่คิดว่าวัดนี่เป็นที่น่าเบือ่อไม่เหมือนกับไปตามศูนย์การค้าไปศูนย์การค้ามีทั้งอาหารมขีของกินของใช้ให้ดูให้เลือกให้ซื้อจิตเขายังเป็นจิตที่ ชอบอยากได้ของได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เขาเลยไม่รู้ว่าไปวัดนี้จะได้ความสุขแบบไหนงั้นถ้าเรามีอุบายสามารถดึงให้เขาไปวัดได้แล้วก็ได้มาสัมผัสกับการทําบุญสัมผัสกับการฟังเทศฟังธรรมะเขาอาจจะเกิดความชอบมาวัดต่อไปก็ได้ต้องไปหาวัดดีๆนะอย่าไปหาวัดที่เขาเจอแล้วเขาถอย ก็ไม่รู้จะบอกว่าวัดดีหรือไม่ดีเป็นยังไงก็ต้องไปค้นหาเอาเองถ้าเราพูดเดียวมันจะหาวเหมือนกับว่าโฆษณาวัดเราวัดดีเรือไปว่าวัดอื่นไม่ดีก็เขาบอกว่ามันมีทั้งวัดที่ดีและวัดที่ไม่ดีก็แล้วกันคำถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่ค่ะนั่งสมาธิแล้วรู้สึกปวดในร่างกายพอมีอาการเกิดขึ้น พิจารณาไปว่าความแปรปรวนของร่างกายเป็นไปนตามธรรมชาติเรามีหน้าที่รักษาจิตให้เป็นปกติกายส่วนกายจิตส่วนจิตแยกจากกันเป็นคนละส่วนกันพิจารณาแบบนี้ถูกไหมคะก็ดูผลเดี๋ยวว่าพิจารณาแล้วใจเราสงบหรือเปล่าใจเราไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายหรือเปล่าถ้าใจเราสงบไม่ทุกข์ก็ถูกถ้ายังทุกข์อยู่ยังไม่สงบก็ยังไม่ถูกก็ยังไม่พอยังพิจารณาไม่ถึงจุดที่จิตมันปล่อยวาง Sabes, เราต้องการให้จิตปล่อยวางร่างกายแล้วเราจะไม่ทุกข์กับร่างกายคำถามจากคุณผู้หญ ma ิงธรรมดาค่ะการเตรียมตัวตายคือลมสุดท uh> uh ้ายเราจะเตรียมตัวอย่างไรเจ้าคะจะได้ส uh uh ู่สุคติคบภูมิที่ดีค่ะก็อยู่แบบคนตายไงคนตายอยากได้เงินไหมคนตายอยากไปเที่ยวไหมก็อยู่แบบนั้นเราตายไปก็จะไปสุคติ แต่ถ้าอยู่แบบคนเป็นยังอยากนู่นอยากนี่อยู่ตายก็ตายแบบไม่สุกติเพราะความอยากมันก็จะทําให้เราไปทําบาปต่อไปได้คําถามจากคุณชิค่ะขอความการุณาอธิบายสภาวะและความแตกต่างระหว่างคันิกะสมาธิอุปจาระสมาธิและอัตนาสมาธิด้วยครับก็เพิ่งบอกเมื่อวานในหมาย น, นะคันิกะก็จิตรวมช่วงเดียวเดียวช่วขณะหนึ่งเรียกว่าคันิกะ ถ้ารวมนานสงบนานนิ่งนานก็เรียกอับ ป, ปนาสมาธิถ้าสงบแล้วไม่ไม่นิ่งออกไปรับรู้เรื่องเรื่องต่างๆนิมิตต่างๆไปไปเที่ยวนะโลกไปเที่ยวสวรรค์ไปมีตาทิพย์หูทิพย์ไปมีมีความสามารถพิเศษต่างๆก็อยู่ในอุปจารสมาธิคำถามจากคุณเอกกี้ค่ะ ตอนนี้มีครอบครัวมีลูกแล้วแต่ทำไมจิตใจมีแต่ความอยากบวชคร <im pe> er> ับก็อาจจะเบื่อลูกเบื่อครอบครัวถึงท่ก็อยากจะออกบวชคนเรามักจะเบื่อของที่มีอยู่มักอยากจะได้ของที่ไม่มีเดี๋ยวพอบวชแล้วเดี๋ยวก็เบื่ออีก่ะพอบวชแล้วก็อยากจะกลับไปมีครอบครัวอีกเขาเรียกว่าชายสามบทฮะเวลาอยู่บ้านอยู่ครอบครัวก็เบื่อเพราะมันมีหน้าที่มีภาระใช่ไหม มีครอบครัวก็ต้องเลี้ยงดูหาเงินหาทองมาเลี้ยงครอบครัวมันก็เบื่อสิพอไปอยู่ไปบวชเป็นพระมันก็คิดถึงครอบครัวว่ามีครอบครัวมันสุขนะมีแฟ น, ม, น, นมีนู่นมีนี่มันก็อยากจะสึกอ่กอะมันชอบมองโลกในในในด้านดีฮะในสิ่งที่เราไม่มีเรามักจะมองว่ามันดีสิ่งที่เรามีแล้วมันจะมองไม่เห็นส่สวนที่ดีแล้วตรงยนส่วนแต่ส่วนที่ไม่ดี มันก็เลยเบื่อของที่เรามีแล้วก็ไปอยากได้ของที่เราไม่มีเพราะเราเห็นว่าของที่เราไม่มีมันดีแต่เราเห็นของที่เรามีว่ามันไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปบวชเดี๋ยวมันก็มองครอบครัวดีเห็นเขามีแฟนมีนู่นมีนี่โอ้ยน่าอิจฉาเดี๋ยวก็อยากจะเสกไปมีครอบครัวอีกคำถามจากคุณลาวันค่ะ เวลาตายจะต้องมีสติตอลอดเวลาใช่ไหมคะมันต้องมีตั้งแต่ยังไม่ตายตอนตายมันจะมีสติตได้ยังไงถ้าตอนมีตอนตอนยังไม่ตายยังไม่มีสติถามได้คำถามจากคุณจิตมณีค่ะจิตที่ฝึกพุโทโธตลอดเมื่อที่ลมไปเมื่อที่ลมจะไปทางดีไม่ไปทางเสื่อมใช่ไหมคะอ่าไป้างควาสมสงบเนียจิตที่มีสติ แต่ก็ไม่แน่ว่าสตินี้พอจะสู้กับบาปที่ทําได้ปะถ้ายังเคยทําบาปมาแล้วสตินี้ไม่ดีพอสู้สู้บาปไม่ได้บาปมันก็ยังพาไปอบายได้อยู่นั่นอยู่ที่กําลังสติว่าระดับไหนถ้าระดับพระสวสดาบาเนี่ยมันสู้อบายได้อบายจะดึงใจให้บาปจะดึงให้ไปเกิดในอบายไม่ได้ถ้าสติของของพระสวัสดบิบาล คำถามจากคุณสมสุขค่ะพุโทโธหายรู้ลมเข้ารู้ลมออกแล้วปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะก็ดูต่อไปดูลมได้ก็ดูต่อไปดูไปเรื่อยๆจนกาจิตจะนิ่งจะสงบแล้วมีความสุขค่ะคำถามจากคุณกวางค่ะจิตมานเป็นอย่างไรคะหนูเคยคิดฟุ้งซ่านตอนยังไม่ได้นั่งสมาธิเป็นความคิดไม่ดีทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดมันผุดขึ้นมาเองค่ะ ยิ่งพยายามหยุดคิดมันยิ่งคิดค่ะแต่เรานึกหยุดไม่เป็นไงพยายามหยุดแล้วต้องมีเบรกถึงจะหยุดมันได้ไปหยุดมันใช่ด้วยความอยากหยุดมันหยุดไม่ได้หรอกมันต้องหยุดด้วยพุโทโธเวลามันคิดไม่ดีก็พุโทโธพุโทโธไปสวดอิติปิโสไปร้อยจบเดี๋ยวความคิดไม่ดีมันก็จะหายไปคำถามหมดค่ะอ่าดีละหมดพอดีเวลาแต่นี่มีใครอยากจะถามไหม ถามว่ามากลับเรียนท่านพระอาจารย์ครับผมเคยอ่านหนังสือของพระแม่ภูปอาจานทร์องค์หนึ่งทนบอกว่าถ้าเกิดเรารักษาจิตไม่บริสุทธิ์เนี่ยนั่งสมาธิยังไงก็จะจิตไม่สงบเพราะมันศียนจากกาสมาธิจะเก้ดหมุนซึ่งการละกันนี่ถูกต้องไหมครับถูกต้องเช่นคนไปกินเหล้านี่คนไปนั่งสมาธิไม่ได้หรอกใช่ไหมนั่งแล้วก็เมาไม่มีสติพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็หลับนั่นต้องศต้องต้องบริสุทธิ์ถ้าไปขโมยของใจก็ ไม่สบายใจวุ่นวายวิตกกังวลเวลาจะพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องบาปที่เราทำไว้มันก็จะมันก็จะสู้กันทำไม่ยากแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปเลยนี่มันก็จะไม่มีอะไรมารบกวนใจในเวลาใจเราพุโทโธพุโทโธมันก็จะมันก็จะไปเข้าสู่ความสงบได้ง่ายกว่าฉั้นต้องรักษาสีนี้ได้อีกอย่างหนึ่ง ถ้ารักษาศีลไม่ไดอ้อาจจะไปติดคุกติดตารางอาจจะไปมีเรื่องมีราวกับเขากับคนนั้นคนนี้แล้วจะเราจะไปมีเวลามานั่งสมาธิได้ยงไงใช่ไหถ้าเราไปช่อโกงเขาไปฟ้องตารวจตารวจม า, าส่งหมายจับมาเราก็ต้องไปโรงพักไปมีทนายไปยื่นขอประกันอะไรต่างๆพอทำบาปนั้นมันก็จะมีพันธะต่างๆตามมา ทำให้เราไม่มีเวลาว่างที่จะมานั่งสมาธิได้เนือไปติดคุกติดตารางนี้เพราะทำบาปเมาแล้วขับนี้กินเหล้ามาแล้วไปขับรถชนคนตาย <Yes. S 1> ก็มีปัญหาที่ต้องมาแก้เวลานั้นก็จะไม่มีกระจิตกระจายอย่างมานั่งสมาธิได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทําบาปไม่ได้ทําผิดกฎหมายมันไม่มีปัญหาอะไรต่างๆที่จะต้องมาแก้ ไม่มีเรื่องที่เราจะต้องมากังวลพราะนั่งสมาธิมันก็เลยสงบง่ายเข้าใจไหมต้องระดับผมเคยอ่านของท่าพระอาจารย์นะครับตั้งหัวว่าต้องระดับศีลแปดนะครับนนะะถึงจะสมามารถที่ทา่านจิตสงบได้เพราะว่านอกจากการไม่ทําบาปแล้วเราเรายังไปทํากิจกรรมที่มันไม่บาปแต่มันก็เสียเวลาอาเช่นไปเที่ยวอย่างนี้ตามไม่ถถ้าถือศีลห้ายังไปเที่ยวได้อยู่ ยังไปนอนกับแฟนได้อยู่มันก็ทําให้เสียเวลาไม่มีเวลามาปฏิบัติไม่มีเวลามานั่งสมาธิแต่ถ้าถือศีลแปะนี่ไปเที่ยวไม่ได้ลนะไปนอนกับแฟนไม่ได้ไปกินเลี้ยงไม่ได้อ่านเย็นกินไม่ได้ดูหนังฟังเพลงไม่ได้มันก็เลยมีเวลาว่างที่จะมานั่งสมาธิได้เอา้ายายไหมอ่นี่คือหน้าที่ของศีล เพื่อรักษาใจให้เราเป็นปกติเพื่อให้เรามีเวลามาปฏิบัติอเราถึงถ้าอยากภาวนาต้องรักษาศีลงแปดแต่ถ้าเริ่มต้นยังรักษาศิ่งแปดไม่ได้สิ่งห้าก็พอทําได้แต่ทําได้ไม่มากเพราะมีเวลาน้อยอาจจะทําได้แค่ก่อนนอนหรือตื่นขึ้นมาหลังจากนอนแล้วตื่นเช้าขึ้นมาก็นั่งสมาธิอันนี้สิ่งห้าก็พอแต่ถ้าอยากจะปฏิบัติทั้งวันนี่ก็ต้องศี่งแปดเข้าใจนะ